ความสุขจะเกิดมีแน่ไม่หนีไปไหนบรรยายเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2540พอรจรเดินพรอนาก็มาในานามของวัดยานเวสกา ว, วัดจะขออนุโมทนาคณะโยบยาติตรท่านที่เป็นข้าราชการ เจ้ที่ผู้ที่เป็นชาวสำนัก ง, งานวิจัยโรงพยาบาลรามาธิบดีทุกท่านที่ได้มานี้อาจจะมาในฐานะที่อยู่ในรามาธิบดีเองและอันในฐานะที่อยู่ในครอบครัวของท่านที่ทา ง, งานที่นั่นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ถือว่ามาในวันนี้ก็มาในเรื่องบุญกุศล มาตั้งใจฟังธรรมะกันวันนี้ทางท่านผู้ดำเนินการติดต่อสำหรับวันนี้ได้ขอให้พูดในเรื่องว่าพัฒนากายพัฒนาจิตเพื่อความสุขที่แท้อาจจะจำหัวข้อเพี้ยนไปบ้างนิดหน่อยแต่ก็โดยสาระสำคัญไปอย่างที่กล่าววันนี้อันนี้เรื่องพัฒนาพัฒนานี่ก็เป็นเรื่องที่ เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอพัฒนาข้างนอกกันมา น, นานคือพัฒนาทางด้านวัตถุโดยเฉพาะก็คือพัฒนาเรื่องเ ศ, ษษษษษเศรษฐกิจจนกระทั่งมาถึงระยะนึ่งก็เกิดการเห็นชัดปรากฏขึ้นมาว่ามนมุษปัญหามากมายการพัฒนาทางด้านวัตถุหรือทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้ทาให้มนุษย์มีความสุขที่แท้จริงทั้ง ตัวบุคคลในชีวิตจิตใจทางสังคมที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ทางสภาพแวดล้อมมีปัญหาเยอะแยะตอนนี้ก็เลยบอกว่าพัฒนาแต่ข้างนอกไม่พอและต้องพัฒนาข้างในข้างในก็หมายถึงที่ตัวคนก็เลยตอนนี้หันมาเน้นการพัฒนาคนดังที่ได้มีกระจกหลักฐานชาัดเจนก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติฉบับที่แปด ให้ถือการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางแต่ว่าการพัฒนาคนไม่ได้มาสำคัญขึ้นก็แผนพัฒนานี้คือมันมันสำคัญอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่งมาเห็นว่าสำคัญมันเด่นกันแต่ว่าวันนี้เรามาพูดกันในแง่ของการพัฒนาข้างในแหละเราไม่พูดถึงการพัฒนาข้างนอกเรื่องเศรษฐกิจและสังคม แต่เรามาพูดถึงพัฒนาที่ตัวคนตัวเราเองนั่นเองที่กายกระใจคนเราก็มีสองส่วนนี้แหละ <c oughs> กายกระใจทีนี้การพัฒนาข้างในนี่ก็ไปสัมพันธ์กับการพัฒนาข้างนอกในแง่หนึ่งก็คือว่าการพัฒนาข้างนอก น, นั้นจะได้ผลดีไม่ดีหรือก็ไปถูกทางหรือไม่ถูกทางนี่ก็ต้องอาศัยการพัฒนา ถ้าคนมีคุณภาพอย่างไรก็มีพฤติกรรมอย่างไรมีความสามารถแค่ไหนก็ไปพัฒนาข้างนอกได้อย่างนั้นและการพัฒนาข้างนอกก็ต้องอาศัยปัจจัยทั้งคันก็คือการพัฒนาข้างในที่สุดอีกประการหนึ่งไม่ใช่แค่นั้นหรอกก็คือตัวคนที่พัฒนาแล้วเนี่ยจะอยู่ในสภาพแวดล้อมข้างนอกไม่ว่าจะพัฒนาหรือไม่พัฒนานั้นได้อย่างไร เพราะนั้นมันก็มีสองขั้นตอนการที่เราต้องพัฒนาตัวคนเนี้ยอย่างน้อยก็คือว่าในเมื่อสภาพแวดล้อมสังคมภายนอกนี่มันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วโดยเฉพาะ ป, ะปัจจุบันนี้เห็นกันว่ามีปัญหามากมายแล้วเกอรหลายคนจะบ่นแบบเรียกว่าแทบจะสิ้นหวังกับสังคมนี้นเนี่ยว่ะสังคมไทยนี่ปัญหาทำไมมันมากมายนักอย่างยาเสพตินี่ก็ มันเป็นปัญหาใหญ่แค่ปัญหาเดียวก็สังคมไทยก็จะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วนะไม่ถ้าพูดถึงปัญหาอื่นนะปัญหายาเสพติดเนี่ยปัญหาเดียวก็จะไม่รอดแล้วนอกจากน้นยังมีปัญหาโรคเดอดส์ก็เข้ามาคุกคามอย่างรุนแรงมากประเทศไทยก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนะในเรื่องโรคเอดส์ แล้วก็ต่อไปก็อาจจะเป็นอันดับหนึ่งในโลกเพราะก้าวขึ้นมาตามลำดับคือเก่งคนไทยนี่ก้าในเรื่องนี้นี่เก่งมากไวเจงกระทั้งว่าเวลานี้คนตายในโลกเอดสนี่เมืองไทยบอกว่าชั่วโมงละสี่คนสี่คนนี่ไม่ใช่เบาเลยในเรื่องนแต่ว่าในกรุงเทพในภาคกลางก็อาจจะเบาหน่อยนี่ไปทางภาคเหนือนี่ ญาติโยมมาแต่เชียงใหม่บอกว่าที่วัดวัดเดียวนี้บาีเผาวัละสี่ห้าคนเขาบอกว่าตายเป็นใบไม้ร่วงทันี้ตอนนี้สถิติการตายด้วยโรคเอกก็มาเป็นอันดับหนึ่งของสาเหตุการตายของคนไทยซึ่งจะก่อนนี้ตายมากที่สุดด้วยอุบัติเหตุอุบัติเหตุเมื่อสักสามปีก่อนนี้ก็ยังเป็นอันดับหนึ่ง ตอนนี้มาเอ็ดชณะแล้วสป็อันดับนึงไอ้เรื่องตายด้วยบาดเหตุก็ไม่ใช่ดีใช่ไหมสแสดงถึงขาพประมาณแสดงถึงขาดธรรมะอยู่แล้วพอมาตายในโลกเองก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกไ้เนี้ยสภาพสังคมของเรามันมีปัญหาเยอะแยะเราไม่ต้องมาพูดกันละแต่ว่าอันหนึ่งก็คือในเมื่อสภาพสังคมที่แวดล้อมมีปัญหามากนี่ก็จะโนกจิตใจทาให้เรามีความทุกข์มากขึ้น ในการพัฒนาคนนีอย่างน้อยก็มาช่วยให้สร้างภูมิด้านถานว่าเราจะอยู่ดีใน่ามกลางสภาพแวดล้อมอย่างนี้เผชิญกามันรับมือกามันได้ดีที่สุดอย่างไรเนี่ยอยู่ให้มีทุกน้อยได้แค่นี้ก็ดีขั้นที่หนึ่งแล้วนี่ว่าเราคงไม่พอใจเท่านี้หรอกเราก็พอใจที่ว่าจะให้มีความสามารถมากกว่า น, นั้นนอกจะมีภูมิต้านทานรับมือกับปัญหาความทุกข์ภายนอก ให้มีผลจะทบตัวเรามีทุกน้อยแล้วก็คือว่าสามารถที่จะพัฒนาตัวเราให้ทันในความเปลี่ยนแปลงของสังคมปรับตัวได้อย่างมีความอย่างมีประสิทธิภาพ<ม>เอาประโยชน์ทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายนี้มาเกิดประโยชน์ต่อชีวิตและสังคมเอามันมาใช้นั่นเองได้อย่างไรอย่างเรื่องของความเจริญทางด้านข่าวสารข้อมูลเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเงี้ย เราต้องพัฒนาตัวเราให้ทันกับมันนะถ้าเราพัฒนาไม่ทันนี่เราใช้ประโยชน์มันไม่ได้เนี่ยเรากลายเป็นได้รับโทษจากมันเพราะนั้นถ้าเราพัฒนาตัวเราดีนี่เราเอาประโยชน์จากมันได้ทั้งคมไทยนี่เป็นปัญหาตั้งแต่ว่ารู้จักจใช้ความเจริญให้เป็นประโยชน์หรือได้รับโทษจากมันได้รับคุณหรือโทษจากมันมากกว่ากันอันนี้ก็เป็นปัญหาแหละแล้วถ้าเราพัฒนาคนให้ดีเราเอาสิ่งที่เรียกว่าความเจริญเนี่ย มาใช้ประโยชน์ได้เรียกว่ามีแง่มุมของการปฏิบัติต่อเทคโนโลยีเป็นต้นนี้ต่อจากนั้นก็คืออ้าเราเก่งไปพัฒนาคนให้เก่งกว่านั้นสามารถที่จะแก้ไขนําการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีงามไม่ใช่ไปว่าเพียงแค่ตามทันการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึนนน้นไป็ความจเจริญอย่างนี้เราก็มาใช้ประโยชน์ได้แต่เราเป็นผู้สามารถสร้างสารรค์เองเลย นำทางการเด็ดแรงนําทางความเจริญจะให้ความเจริญเป็นไปในรูปไหนอย่างไรการพัฒนาที่แท้สําหรับในตัวคนเนี่ยจะต้องได้ถึงขั้นที่สามนี่ก็อย่างน้อยก็เอาแล้วเป็นสามขั้นขั้นที่หนึ่งจะใ ห, หม้มีภูมิต้านทานสภาพที่มันเป็นปัญหากระทบกระทั่งอยู่กระแสที่มันไหลแรงอย่างเนี้ยเราจะอยู่ได้อย่างไรงที่จะมีความเข้มแข็งพอทดทนอันที่สองก็คือว่าเอามันมาใช้ประโยชน์ ขั้นที่สามก็คือเป็นผู้นําการเปียนแปลงนั้น เ, เองเลยให้เป็นเปนในทางที่ดีถ้าพัฒนาคนประสบความสําเร็จก็ได้ถึงขั้นที่สามอันนี้เรื่องพัฒนาคนนี่ในหัวข้อที่ตั้งไว้ก็มีสองอย่างว่าพัฒนากายกับพัฒนาจิตคงจะมองในแง่ว่าคนเราเนี่ยก็มีสองส่วนคือมีร่างกายกับจิตใจเพราะฉะนั้นก็ทําพัฒนาให้ครบทั้งสองได้ แต่ว่าความหมายของการพัฒนากายนี้เป็นอย่างไรก็ยังเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอยู่มัอาจจะไม่ได้มีความหมายแคบแคบเพียงแค่ที่มองเห็นรูปสัจว่าอ็อกกายคือร่างกายอะไรแค่นี้ถ้าหากว่าบอกพัฒนากายก็คือทํากายให้เจริญเติบโตก็คือว่ารับประทานอาหารเป็นต้นในร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็เติบโตจากเด็กก็เป็นผู้ใหญ่อย่างนี้ก็เรียกว่าพัฒนากาย แต่ในทางธรรมานี่ไม่ได้มองแค่นั้นนะพัฒนากายไม่ได้มีความหมายแค่หมดพัฒนากายนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในระบบการพัฒนาชีวิตมนุษย์ที่เรียกว่าคนเน่ทั้งหมดอา้าวแล้วก็มันไม่ใช่มีแค่สองละโยมไม่ยว่าเออก็มีกายกับใจก็พัฒนากา ย, พ, ากายพัฒนาใจก็ครบแต่ทางพระท่านบอกไม่ครบหรอกคนเรามีกายกับใจก็จริงแต่เวลามาจับเป็นกระบวนการพัฒนานี่ต้องแยกย่อยออกไปให้ครบในหลายด้าน คนเราได้มีชีวิตหลายด้านที่เราดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราทําอะไรบ้างอ่าโยมลองแยกดูแลเรามองชีวิตของเราให้ครบถ้วด้านแล้วอย่างน้อยเราปฏิบัติต่อชีวิตของเราในด้านนั้นๆให้ถูกต้องแค่นี้ก็เริ่มกระบวนการพัฒนาแล้วแ ต, ต้องเข้าใจก่อนว่าเราเนี่ยมีชีวิตเป็นอยู่เนี่ยเรามีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรอะไรที่เราเป็นอยู่ อะไรบ้างที่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นชีวิตเนี่ยก็ต้องมาดูแยกแยะออกไปท้ายครท่านก็จะบอกให้เราเห็นว่าโอ้เริ่มต้นนะดูจากข้างนอกมาไปข้างในเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวคนเรานี่จากข้างนอกแต่ละคนเนี่ยข้างนอกที่มองเห็นก็คือการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวก็จะมีสองอย่างการเคลื่อนไหวกายจากการเคลื่อนไหวทางวัจาุใช่ไหม นี่คือสภาพปรากฏของเราการเคลื่อนไหวเดินเหินทำโน่นทำนี่เนี่ยเอามือเอาเท้าไปทําสิ่งต่างๆเริ่มตั้งแต่ปรุงอาหารรับประทานอาหารแล้วเนี่ยใช้กายเคลื่อนไหวแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือเคลื่อนไหวทางวาจาก็คือพูดจานี่คือภาพปรากฏของเราอันเนี้ยหนึ่งลนะทีนี้นี่เราเรียกว่าอะไรทั้งสองอย่าง เนี่ยชีวิตของเราที่เป็นอยู่ที่เคลื่อนไหวากายกขวัติจ า, า, ารำการโน่นสำการนี้พูดกั่นพูดนี้เนี่ยเราก็เรียกกันง่ายๆภาษาสมัยใหม่แล้ว่าพฤติกรรมเนี่ยโดยรว่าชีวิตของเราส่วนที่เห็นง่ายที่สุดปรากฏว่าข้างนอกก็คือพฤติกรรมทางกายวัตยาแล้วพฤติกรรมทางกายวัจาของเรานี่เอาก็ต้องดูอีกว่ามันไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ทําทําบือทำอะไโอ้เราก็จะมองเห็นว่าพฤติกรรมกายวัตาของเราที่ทําเนี่ย เพราะเราจะดําเนินชีวิตยอยู่ท่ามกลางโลกนี้ที่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเราต้องไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพื่อจะเอาประโยชน์จากมันหรือว่าเพื่อจะปกป้องตัวเองหรือยังไงก็ตามให้ชีวิตของเราไปรอดไปได้ดีในสภาพแวดล้อมเหล่านี้เราก็เคยเราก็เลยมีพฤติกรรมขึ้นมาในการไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ไปสัมพันธ์นี่เอยก็ต้องแยกด้วยว่ามีอะไรบ้างพอเราดูดูไปสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ทุกวันนี้ก็มีอะไร หนมนุษย์เดียกันสิเราก็อยู่กับเพื่อนมนุษย์นี่นะเจอคนนู้นเจอคนนี้ก็พูดจาปราศัยกันเนะโบกมือโบกไม้ช่วยกันทํางานเป็นต้นอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมทนะีนี้นอกจากมนุษย์เดียกันแล้วเราสัมพันธ์กับสิ่งของวัตถุต่างๆนะเช่นว่าเริ่มต้นขึ้นมาตื่นเช้าอาจจะไปอาบน้านะนะอาจจะรับประทานอาหารนี่ก็น้ำอาหารเป็นต้น ตลอดจะถนนหนทางวัตถุสิ่งของเรื่องใช้ทีวีเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยต้นไม้ดินน้าอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอีกด้านหนึ่งก็เราก็มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อนมนุษย์ที่เรียกว่าทางสังคมอย่างหนึ่งแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางวัตถเุเช่นปัจจัยสี่อาหารเป็นต้นเนี่ยนี่ก็คือชีวิตของเราด้านที่ปรากฏสำคันเลย ถ้าเรามีความสัมพันธ์โดยใช้พฤติกรรมกับสิ่งเหล่านี้ดีถูกต้องชีวิตของเราก็ดำเนินไปได้ดีถ้าเรามีพฤติกรรมไม่ถูกต้องก็เกิดความขัดข้องเกิดปัญหาเกิดปัญหาโดยที่ว่าเราเองเป็นผู้ต้องรับปัญหาเกิดปัญหากับตัวเราหรือเราไปผู้ก่อปัญหาทําปัญหาหแก่ผู้อื่นและสิ่งอื่นก็ได้เรอาจจะก่อการเบียดเบียนทําให้เกิดความเดือดร้อนสะเพรนมนุษกษะได้เพียงได้พูดจาไม่ดีก็ เกิดปัญหาแหละคนอื่นก็เกิดความขัดใจแล้วก็เกิดโตตอบมาไม่ดีเกิดปัญหากับเราเอีกหรือเราใช้กายเคลื่อนไหวไม่ดีเนทําอะไรไม่ถูกไม่ต้องในพฤติกรรมเช่นกินอาหารนี่กินไม่เป็นกินแอกินอาหารที่มันไม่ดีเข้าเกิดท้องเสียขึ้นมาก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกเนี่ยพฤติกรรมก็เป็นเรื่องที่ว่าจะต้อง จาัด ก, การกับมันให้ดีให้ถูกต้องพฤติกรรมทางกายวาจาเนี่ยแต่ชีวิตของเราก็ไม่มีธรนีแต่เราจะต้องเห็นว่านี่แหละส่วนสําคัญของชีวิตของเราส่วนที่หนึ่งก็คือพฤติกรรมกายวาจาที่ไปสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจะเป็นเพื่อนมนุษย์ในสังคมก็ตามเป็นวัตถุสิ่งของก็ตางนึ่งแล้วนะทีนี้ที่เรามพูดพฤติกรรมอย่างนี้นะ่ะอ้าวที่จริงมันไม่ได้ออกมาเฉยๆนะมันมีความตั้งใจนะ่ะถ้าไม่มีความตั้งใจพฤติกรรมนี้ไม่ออก พฤติกรรมที่ไม่ได้มีความตั้งใจนี่จะเลื่อนลอยแล้วก็ไม่ค่อยมีผลน่ะแต่ว่าถ้าอันไหนตั้งใจแล้วมันมีผลยั่งยืนเพราะว่าแสดงว่าจิตใจเขาชอบอย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นมันลึกซึ้งลงไปอีกอาจจะมีเรื่องของมีความโน้มเอียงของจิตใจมีนิสัยที่สะสมไว้เนี่ยแต่ว่ารวมความก็คือพฤติกรรมที่ออกมาเนี่ยเช่จะพูดเนี่ยก็ต้องตั้งใจก่อนจะเคลื่อนไหว ไปรับประทานอาหารเลือกอาหารนั่นไหนก็อยู่ที่จิตใจตั้งใจก่อนเท่านั้นเราลงว่าที่สําคัญในชีวิตของเรายด้านหนึ่งก็คือจิตใจจิตใจมีความตั้งใจมีแรงจูงใจในการที่จะทําอะไรกันบ้างแล้วก็มีคุณสมบัติในจิตใจเช่นเป็นบุญเป็นบาปเป็นผู้สวเป็นอกุศลเป็นความดีความชั่วเป็นคุณธรรมหรือไม่ใช่คุณธรรม นี่อันนี้ก็สําคัญมากแล้วต่อจากนั้นในจิตใจก็มีสุขมีทุกข์ถ้าหากว่าสุขก็ชอบใจอะไรทําให้เราสุขเราชอบใจเราก็มีความโน้มเอียงที่จะไปสัมพันธ์กับสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นถ้าอันไหนทำให้เราทุกข์ไม่สบายใจเราต้องมีความโน้มเอียงที่จะหลีกเลี่ยงจะหนีหรืออาจจะเกิดพฤติกรรมในการทําลายเกิดความสัมพันธ์ในทางพฤติกรรมที่เป็นไปนในทางเบียดเบียนเกิดความเสียหาย ก็เป็นพฤติกรรมในทางลบตัวรองว่าอีกด้านหนึ่งที่สําคัญก็คือจิตใจของเรานี่เองเพราะฉะนั้นก็สําคัญมากอีกด้านหนึ่งที่เรามองข้ามไม่ได้อันนี้ต่อไปอันหนึ่งก็ในการที่เราจะตั้งใจยังไงนี่แล้วเราจะเคลื่อนไหวตามพฤติกรรมยังไงต้องมีตัวหนึ่งนะทุกครั้งด้วยเราจะเคลื่อนไหวยังไงเราเคลื่อนไหวได้ตามความรู้ของเรานะเรารู้แค่ไหนเราก็เคลื่อนไหวได้ตามนั้น เรารู้พัดใจที่เราอยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งเรามีปัญญารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรแค่ไหนเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาปัญญาของเรารู้แค่ไหนเราทาได้แค่ไหนเพราะนั้นเบื้องหลังความตั้งใจเบื้องหลังพฤติกรรมมีตัวปัญญาความรู้ว่าปัญญารู้แค่ไหนทำได้แค่ไห น, นถ้าคิดได้ละเอียดลึกซึ้งกัพฤติกรรมก็มีความสับซ้อนมาก นี่คือชีวิตของเรานะที่เคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลาที่เป็นดีเรามองจากข้างนอกพฤติกรรมกายวาจาแต่ว่าลึกเข้าไปก็คือจิตใจที่ขาดไม่ได้เป็นฐานของพฤติกรรมที่ดีแล้วจิตใจนั้นก็ต้องอาศัยปัญญาคามรู้นี่คือทั้งหมดของชีวิตของเราเพราะนั้นเวลาจะไปพัฒนานี่เราต้องพัฒนาโดยดูทั้งทุกด้านของชีวิตเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาแค่กายกับใจหรอก ต้องพัฒนาให้ครบจากที่พูดมานี่เราจะเห็นว่าเราต้องจัดการกับชีวิตของเรากีได้ด้านที่นนหนึ่งด้านพฤติกรรมที่ไปสัมพันธ์กับสังคมกับวัตถุทั้งหลายเนี่ยต้องรู้จักจัดการกับพฤติกรรมของตัวเองให้ดีที่สุดคนไหนจัดการได้ดีมีความสามารถในการจัดการกับพฤติกรรมนั่นทีบุคคลนั้นมีการพัฒนา ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถในการจัดการก็แสดงว่ายัางไม่ได้พัฒนาในด้านพฤติกรรมนี่อันนี้ที่สําคัญเบืนน้องต้นก็พฤติกรรมนี้บอกแล้วว่าเราจะแยกในแง่ากายวาจารก็ได้หรือแยกแยกในแง่ของจุดสัมพันธ์ของเราก็คือหนึ่งสัมพันธ์กับสังคมสิ่งแวดล้อมทางสังคมสองสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุทา้าพระท่านเลยแยกอันนี้ออกให้เป็นสองอย่าง ในด้านพฤติกรรมก็แยกเป็นสองระดับคือพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้เทคโนโลยีปัจจัยสี่แม้แต่ธรรมชาติแวดล้อมต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เรีย ก, เ ร, ยกเรียกอันหนึ่งเรียกว่าเป็นพัฒนาด้านกายเนี่ยที่อาจามาพู ด, ดว่าพัฒนากายเนี่ยทั้งสองหมายทีกนันนีพัฒนากายก็คือพัฒนาความสัมพันธ์ของเรา โดยทางพฤติกรรมนี้กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นวัตถุเริ่มแตแต่อาหารการกินเป็นต้นซึ่งตัวที่ไปสัมพันธ์ก็คือกายวั จ, จาและอีกตัวหนึ่งก็คือตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเราอาจจะไม่ได้มองว่าเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมตลอดเวลานี้ไอตัวสัมพันธ์ที่สัาพันธ์นี่คตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี่คือตาดูหูฟังเนี่ยต้องพัฒนาการดูการฟัง เป็นต้นของเราบางทีเราไม่เคยนึกว่าอาการดูการฟังนี่ต้องพัฒนาด้วยนะนี่แหละเรียกว่าพัฒนากายไม่ใช่ไปทําให้แค่ร่างกายจเจริญเติบโตรับประทานอาหารเข้าไปแล้วกายใหญ่โตก็วัฒนากายทางธาต่ารไม่ได้เอาแค่นั้นอันนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งพัฒนากายนี่ก็คือนี่แหละส่วนของร่างกายของเราที่จะเป็นสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลดีกับชีวิตได้กระตาหูจมูก ลิ้นกายเพราะฉะนั้นต้องพัฒนาว่าเออเราจะมีพฤติกรรมในการดูอย่างไรในการฟังอย่างไรจึงจะเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตไม่ได้เกิดโทษถ้าดูไม่เป็นใช้ตาไม่เป็นเกิดโทษถ้าใช้หูไม่เป็นก็เกิดโทษถ้าใช้หูเป็นก็เกิดประโยชน์ใช่ไหมนนี่แหละพัฒนากายมันอยู่ที่นี่แหละเพราะฉะนั้นพัฒนากายก็หมายถึงพัฒนา พูดซ้ำอีกทีพฤติกรรมในการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุโดยทางกายวิจาโดยทางอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็เข้าไปถึงใจของเราด้วยอย่างนี้เรียกว่าพัฒนากายที่แท้จริงถ้าพูดอย่างนี้แล้วจะเห็นช่องทางของการพัฒนาเยอะเลยว่ามันมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไรเนพัฒนาการดูการฟังนี้เป็นเบื้องต้นของการศึกษา และการพัฒนามนุษย์เลยปัจจุันนี้มักจะมองข้ามเ่องนี้ไปเรืองตนตั้งแต่เด็กก็ดูทีวีไม่เป็นเลนะพอมาใช้เทคโนโลยีอื่นใช้คอมพิวเตอร์ใช้ไม่เป็นนะนี่คือปัญหาของการขาดการพัฒนาการแต่ตอนนี้อาตมาอยากจะแจกแจงเรื่องของการพัฒนาตัวคนให้เห็นว่าชีวิตเนี่ยมีทั้งหมดหลายด้าน ระาดาัพติกรรมก็สอยออกไปอันที่เด็กก็พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทั่วไปเนี่เริ่อตั้งแต่รับประทานอาหารก็รับประทานให้เป็นใช้เสื้อผ้าคือผมเท่านั้นพวกเนี้ยอยู่ในพัฒนากายหมดทีนี้ต่อไปก็พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมคือเพื่อนมนุษย์อันนี้ก็ต้องพัฒนาพัฒนารู้จักพูดจัาพูดยังไงเขาจึงจะเข้าใจดีพูดยังไ ง, เ ข, ง, ข ง, ไงเขาจึงจะสบายใจ พูดไม่ใช่เอาแต่ใจเราให้ตัวเราชอบใจไม่ชอบใจเท่านั้นถ้าเราพัฒนาขึ้นไปอีกเราจะพัฒนาในแง่ว่าแทนที่จะตั้งใจพูดให้เราสบายใจได้ประโยชน์เราก็พูดเพื่อประโยชน์แก่เขาคนจะมีสองชั้ น, นเช่นอย่างนี้อันนี้อตาตมาพูดปเป็นเพตัวอย่างเช่นอย่างว่าเราจะพูดกับคนเนี่ยเราก็หนึ่งพูดไปตามชอบใจ เลอกยังไงขึ้นมาก็พูดอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดปัญหามากที่สุดใช่หมเนี่ยอันนี้ไม่ต้องคานึงที่ใครทั้งสิน้นทีนี้สองเป็นคนมีปัญญาขึ้นหน่อยพูดเพื่อประโยชน์แต่ตัวเองแต่ว่ามีปัญญามองเห็นคามไกลว่าเราจะได้ผลประโยชน์จากเขาถ้าเรารู้จักพูดดีๆเนี่ยตอนนี้ก็รู้จักควบคุมพฤติกรรมในการพูดรู้จักแต่งค่อยขา แต่งให้สุภาพไพเราะอ่อนหวานให้เขาชอบใจแล้วเขาก็จะได้ให้ผลประโยชน์กับเราอันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาขั้นหนึ่งจะเห็นว่าวาจาจะประณิตขึ้นนะวาจานี่จะรู้สึกว่าสละสลวยน่าฟังแม้ต้องคิดมากว่าจะปรุงแต่งพัฒนาวาจาในขั้นนี้ได้ไหมเดนคารเนกี้นี้แกจะพัฒนาดัานนี้มานะเป็นอย่างว่าสอนวิธีว่าทํายังไงแคจะพูดให้คนเขาชอบใจเรา ว่าพูดแบบว่าล้วงกระเป๋าเขาได้อะไรก <c oughs> ็จะแบบอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาพฤติกรรมทางวาจาที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองทีนี้พัฒนากว่า น, นั้นพัฒนาโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ตัวเองเลยตั้งใจแต่ว่าโอ้เราทำไงจะให้เขาเป็นสุขอยู่ในบ้านก็อยู่กับ แฟนว่าไงต้นอนรับเราทำไงจะให้แฟนเนี่ยสบายใจมีอะไรที่พูดไปแล้วเขาจะไม่สบายใจไม่พูดเราอดทนไหมขอพูดแต่คําที่จะทำให้เขามีความสุขสบายใจถ้าตั้งใจพยายามหาทางอู้อันดียิง่งต้องใช้ความเข้มแข็ง ข, ของจิตใจมากทีนงต้องใช้พลังความสามารถในการที่จะมาสร้างสรรค์ ในการที่จะกลุมแต่งค่อยคำและในการที่จะระงับควบคุมจิตใจตนเองอันนี้ยากยิ่งกว่าการพูดเพื่อประโยชน์ของตนเองนะอันนี้ขั้นเนี้ยที่พัฒนามากที่สุดในการใช่วาจาก็าคือพูดยังไงเนี่ยจะให้เป็นวาจาที่ทําให้คนอื่นเป็นสุขพูดเพื่อผู้อื่นนะอันนี้ก็กลายไป็ว่าเราก็พูดเพื่อ ให้คนอื่นเนี่ยได้มีความสุขหรือพูดเพื่อประโยชน์แก่เขาเขามีปัญหาเขาขาดความรู้เรื่องอะไรก็ไปช่วยแนะนํามองไปในทางที่จะช่วยเหลือเพื่อู่อย่างพ่อแม่ก็นึกถึงลูกว่าทําไงจะให้ลูกเนี่ยได้เกิดความรู้ความเข้าใจอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องเราคอยคิดแต่ว่าจะพูดยังไงให้ลูกเนี่ยได้รู้เข้าใจได้เกิดปัญญาได้อยู่ในแนวทางที่เป็นคุณธรรมเป็นจริยธรรมเนี่ย แต่ถ้าอย่างนี้ลูกก็เหมือนกันก็จะพูดอะไรกับพ่อแม่ก็คิดถึงประโยชน์ของพ่อแม่ไม่จะคิดถึงประโยชน์ของตัวเองเดี๋ยวนี้น่ะอาตมาขอแทรกว่าสังคมเนี่ยเป็นเน้นในแง่ว่าแม้แต่พัฒนาคนเนี่ยก็พุ่มุ่งในแง่เพื่อสนองประโยชน์ตนมา ก, ก่าใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นจิตวิทยาแบบตอนตกจิตวิทยาตอนตกนี่เป็นจิตวิทยาแบบล่วงกับเป๋าคือเช่นว่าเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ของเราเนี่ย พูดให้เขาชอบเราเพื่อเขาจะได้ให้ผลประโยชน์แก่เราแต่ตาพุทธศาสนานี่มาอย่างนั้นถือว่าอันนั้นยังพัฒนาขั้นที่ยังด้อยไปก็พัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าคำหนึ่งถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นแล้วก็เราก็มาพัฒนาตัวเองมาปรับปรุงความสามารถในการพูดจาและทําการต่ตางๆเพื่อประโยชน์เราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนี่ก็เรื่องของการยุโรมสังคม ก็ราคัฒนาพฤติกรรมแหละเราจะอยู่ได้ไดีดเนี่ยเราคงทำไปตามชอบใจไม่ชอบใจไม่ได้ถ้าเาแค่ตามชอบใจไม่ชอบใจเกิดเรื่องทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันทั้งวั น, เ, นเราจะเห็นว่าเรานึกอะไรในใจนี่เราพูดไปได้ทุกอย่างใช่ไมแต่เราพูดทุกอย่างเป็นยุ่งะฉะนั้นก็ต้องมีการควบคุมควบคุมพฤติกรรมทางวันจนาะอันนี้เอง ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนมนุษย์ในกันในทางสังคมอย่าน้อยท่านก็ให้หลักไว้ด้วยกสี่ห้าคือว่าอย่างน้อยเอาและพฤติกรรมนี่ถึงยังไม่เกอกูลเขาก็จะไปเสียดเสียนอย่าไปก่อความเดือดร้อนพฤติกรรมในแงร่รวมสังคมก็หนึ่งขออย่าให้ไปทําร้ายร่างกายทําลายชีวิตเขานี่ยหนึ่งนะนสองก็ขอเถอะอย่าให้ไปละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน สามก็ขออย่าให้ได้เป็นเร้มนตคู่ครองสี่ก็ขออย่าได้ไปทำลายผลประโยชน์เขาทั้งวาดจาร์หลอกลวงเขาแล้วก็สี่ก็ขออย่าให้ไปคุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของเพื่อนมนุษย์ด้วยการเสพยาเมาสิ่งเสพติดตุลาที่ทำให้ขาดสติเพราะคนที่ขาดสติด้วยสิ่งเสพติดนี่ เป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของสังคมอันนี้ไม่พูดถึงตัวเองนะเรื่องสีในมุ่งในแง่สังคมแล้วจะเห็นว่าศีข้อห้านี่เรามักจะไปอธิบายในแง่ของผลเสียต่วตัวเองไอ้ผลเสียตัวตัวเองมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าสีนี่เขาต้องการเรื่องความสัมพันธ์ในสังคมถ้าทําไงจะมนุษย์จะอยู่ด้วยกันได้ดีคนที่ขาดสติท่าเรียกว่าเกวดความลำบาก็คือเมา่นั่นแหละเพราะไป ดืสุรายาเมาสิ่งเสพสิดเนี่ยมันคุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของผู้อื่นเนี่ยอย่างน้อยนะพอเราเมาออตั้บนี่คนอื่นเขาไม่แน่ใจแล้วเราจะเอาไงใช่ไหมเนี่ยพาเขาสูญเสียความรู้สึกปลอดภัยมั่นคงความไว้วางใจหมดเลยแหละมาท่าไหนก็ไม่รู้ทําได้ทุกอย่างในคนเมาใช่ไหมขาดสติแล้วเนี่ยแล้วอย่างขาดสติอาจจะทําให้เกิดรูปแบบ แม้ไม่ได้ตั้งใจอย่างเช่นว่าขับรถเลยเพราะฉะนั้นเราขับรถไปในถนนถ้าเราเกิดความรู้สึกว่ารถคันที่ขับสวนมาเนี่ยเมาลางหรือรถสิบล้อคันที่กําลังสวนมานี่กินยามาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เราเชื่อไว้ใจไม่ได้นี่คันไหนกินยามามามากนี้แค่นี้แหละสังคมเริ่มเกิดความรู้สึกหวั่นไหวไม่มั่นคงเลยใช่ไหมอันนี้คนที่กินยามา้า ก็เป็นผู้ทำลายเป็นผู้คุกคามต่อความรู้สึกมั่นคงตลอดภัยของเพื่อนมนุษย์ฉะนั้นจึงเป็นอันตรายต่อนันแล้วก็าอาจจะทําให้เกิดอุปัติเหตุขึ้นมาจริงจริงนะแล้วอาจจะกลายเป็นคนไม่มีสติแล้วทําอะไรก็ได้ทําร้ายผู้อื่นก็ได้ซึ่งจะมีกรณีคนอินยาบ้าแล้วถึงกับขาดสติประสาทร้อนนี่เขาอาจจะก็จะมาทําร้ายตัวเอง เอาเด็กจับไปเป็นตัวประกันเอามีดเจาะคอหอยจะปาดคออะไรเงี้ยเนี่ยนอกจากเด็กคนนั้นจะถูกคุกคามแล้วเพื่อนมนุษย์ถูกคุกคามความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยไปหมดตื่นกระหน่กตกใจหมดประหวัติันพลึงใช่ไมเพรฉะนั้นเรื่องยาเสพติ์เนี่ยก็มีผลเสียหายต่อสังคมเพราะนั้นพระจะเจ้าจึงสรัสให้เราอย่างน้อ ย, นยในแง่ของการสัผาผนสในสังคมให้มีพฤติกรรมที่เว้นจากความ การกรอกความเดดร้ อ, บรอบเบียดเบียนห้าประการที่เรียกว่าให้มีสี่ท่าแต่ที่จริงไม่แค่นั้นหรอกให้มีพฤติกรรมที่เกื้อกูลต่อ ก, กันทั้งทางกายทางวา จ, จาแต่รวมแล้วมันก็อยู่ที่กายวา จ, จานี่ก็การพัฒนาด้านนี้ที่อยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ในสังคมเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาสี่อันที่หนึ่งพัฒนากายาการใช้ตาดูฟังการใช้กายวา จ, จาทั้งวันกั้สิ้นแวะลอ้อมการรับประทานอาหารกินดื่ม อะไรต่างๆเหล่านี้นีนี่พัฒนาใจาแล้วจะมาพัฒนาศีลอยู่ร่วมสังคมกับเพื่อนมนุษย์แล้วต่อใครที่มีคุณธรรมปรารถนาดีถ้าเราพัฒนาจิตใจของเราเปลี่ยนจากการที่ว่าปล่อยไปตามชอบใจเป็นชอบใจให้มีความเข้มแข็งขึ้นนะรู้จับยับยั้งคุมตนเองให้รู้จักว่าอันนี้เป็นประโยชน์แก่ เ, เรานะเราต้อง ยับยังไอ้ส่วนที่จะขัดขวางผลประโยชน์ของตัวเองทำแต่ส่วนที่ทําให้เกิดประโยชน์อย่างนี้แสดงว่าจิตใจเริ่มเข้มแข็งพัฒนาขึ้นแล้วอ่ามันก็อยู่ที่ใจทีนี้จะพัฒนาไปที่ขั้นที่มีจิตใจไม่คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและคิดมุ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นหวังดีต่อแฟนหวังดีต่อลูกหวังดีต่อพ่อแม่หวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ทําอะไรจะคิดแต่ประโยชน์แก่ผู้อื่นอันนี้ก็อยู่ที่ใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี้ออกมาจากใจก็ต้องพัฒนา ให้มีคุณธรรมและคุณธรรมนั่นจะมั่นคงก็ต้องจิตใจมีความสุขถ้าประพฤติคุณธรรมด้วยความทุกข์สนใจก็คุณธรรมก็ไม่ยัง่งยืนและคุณธรรมต้องมากับความสุขด้วยทำงานจะพัฒนาความสุขให้มากับจิตใจที่ดีงามนี่ก็เป็นปัญหาองการพัฒนาทางด้านาจิตอันนี้ทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยปัญญานึ่ละปัญญานี่จะเป็นตัวรู้พอรู้ว่า อันนี้นะ่งจะเป็นประโยชน์แกเราแท้จริงไอ้ปัญญามันก็บอกให้ใจตั้งใจว่าให้ทําพฤติกรรมอย่างนั้นใช่ไหมเพราะนั้นปัญญาประสานกับจิตใจกับพฤติกรรมจิตใจตั้งใจไปตามที่ปัญญาบอกปัญญาชีนช้นำชีนำ้นาจิตใจว่าจะให้สั่งการแกพฤติกรรมอย่างไรเนี่ยออกมาเป็นชั้นๆั้นนะพฤติกรรมก็เป็นไปตามบัญชาของจิตใจภายใต้การชี้นาของปัญญาเนี่ยนี้เรา พัฒนาปัญญาได้มากไอ้ปัญญานี่ก็มีความสามารถในการชี้นำเนะีรู้ว่าไอ้ประโยชน์อย่างนี้มันจะ ป, ประโยชน์แท้จริงประโยชน์ที่แท้มันอยู่ข่านโน้นมันก็ปรับจิตใจมันก็มาปรับพฤติกรรมต่อไปในในที่สุดต้องไปพัฒนาปัญญาเพอปัญญารู้เข้าใจตอนแรกก็รู้เข้าใจแต่เรื่องชีวิตตัวเองมันก็มองแค่ประโยชน์ตัวเองต่อมามันเข้าใจโลกและชีวิตเข้าใจสังคมเข้าใจธรรมชาติแวดล้อมเข้าใจสังขาร เข้าใจธรรมชาติทั้งหมดโอ้มันเห็นความจริงของสิ่งต่างๆแล้วเมืันตายไปว่าจิตใจโล่งโปร่งเป็นอิสระมันไม่มีอะไรที่จะต้องทําเพื่อตัวเองแหละไอ้จิตใจที่เกิดปัญญารูปความจริงอย่างเนี้ยมันจึงจะมีความมั่นคงแท้ว่ามันจะมีคุณธรรมที่สมบูรณ์ใช่มเพราะนั้นปัญญาก็ต้องเลยต้องพัฒนากันหลายขั้นตอนการรวงความก็คือเท่าที่พูดมาเนี้จะเห็นว่าการพัฒนามีสี่ด้า หพัฒนาพฤติกรรมที่เกี่ยวกข้องกับร่อมทางวัตถุร่วมจากปัจจัย4ี่เป็นต้นไปเรียกว่าพัฒนากายรู้จักใช้ตาดูหูฟังเป็นต้น 2. พัฒนาพฤติกรรมในการอยู่รวดสังคมเรียกว่าพัฒนาสี่อยู่กับเพื่อนมนุษย์อยู่ไงไม่เป็ดเดียนไม่ก่อความเดือดร้อนเดือาร้อนกอกลุ่กั น, น, กนแล้ก็3พัฒนาจิตใจของตัวเองให้ดีงามและมีความสุข แล้วมีความเข้มแข็งสามารถบังคุข้าวคู่คุมตัวเองได้และก็สีพัฒนาปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายที่จะมาชี้นำให้เราได้สามารถดำเนินชีวิตพฤติกรรมของเราไปได้อย่างดีที่สุดมีคุณค่าเป็นประโยชน์บรรลุผลสำเร็จที่ต้องการนะทีนี้ตอนนี้ก็เท่ากันมาตกลงกันว่าพัฒนาต้องครบสี่ได้ แลสีด้านนี้สัมพันธ์ซึ่งกันและกันไม่สามารถแยกจากกันได้เพราะว่าบอกแล้วว่าอะมีพฤติกรรมพัฒนาพฤติกรรมคุณจะพัฒนาพฤติกรรมได้มันมาจากจิตใจคุณจะพัฒนาจิตใจด้วยแต่จิตใจมันจะทําได้แค่ไหนมันอยู่ที่ปัญญาชี้นำเพราะงั่นต้องพัฒนาปัญญาด้วยแต่ปัญญาจะพัฒนาได้อย่างไรพัฒนาปัญญาคุณก็ต้องพัฒนาพฤติกรรมไปหาข้อมูล ไปหาข้อมูลก็ต้องเคลื่อนไหวพฤติกรรมเหมือนกันต้องไปรู้จักไปอ่านหนังสือไปค้นห้องสมุดเดินไปดูนะรู้จักใช้หูฟังใช่ไหมเลยพอนางใช้พฤติกรรมที่จะหาปัญญาได้หรือต้องไปสัมพันธ์กับคนมันนุตเตเป็นต้องรู้จักพูดฉะชาต้องรู้จักตั้งคําถามถ้าถามไม่เป็นเขาไม่เข้าใจพูดกันตั้งชั่วโมงไม่รู้ว่าพูดอะไรนะีก็เลยไม่ได้ข้อมูลไม่ได้ปัญญาไม่เข้าใจเรื่องราวที่ต้องการ ก็ต้องพัฒนาพฤติกรรมแล้วจิงจะมาช่วยในการพัฒนาปัญญาไอาล้ละจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราจะพัฒนาปัญญาอะจิตใจมันขี้เกียจจิตใจมันท้อแท้หดหู่มันไม่สู้เจออะไรแต่ไรมันคลานมันอยากจะถอยมันก็ไม่ไม่เพียรพยายามเช่อนอย่างไม่พยายามคิดเป็นต้นเมื่อไม่พยายามคิดปัญญ า, ามันก็ไม่เกิดหรือ คิดเหมือนการจะใจว่าหุ่นสับสนคุณมัวเดือดร้อนกระบวนสวายพุ่งพลาดคิดไม่ออกนี้ถ้าถามใจใสงบเป็นสมาธิจิตใจมั่นคงแน่วแน่สงบผ้องสายปักอ้าวมองอะไรคิดอะไรชัดเจนเนี้ต้องลงว่าจิตใจก็ช่วยปัญญาเพราะนั้นไอ้เจ้าปัญญาจะพัฒนาก็ต้องอาศัยจิตใจต้องอาศัยพฤติกรรมมันบนกันไปหมดเลยพฤติกรรมจะเป็นไปไงก็อยู่ที่จิตใจสั่ง ปัญญาชี้นําจิตใจจะเป็นยังไงต้องอาศัยปัญญาที่จะมาชี้ช่องทางให้แล้วจิตใจนี่จะมีความสุขความทุกข์ก็ต้องอาศัยพฤติกรรมเกิดไปเจออะไรที่ทําได้พฤติกรรมที่พอใจก็มีความสุขถ้าหากต้องทาพฤติกรรมที่ฝืนใจก็ทุกข์ใช่ไหมเพราะนั้นพฤติกรรมก็เป็นที่มาสำคัญ ข, ของความสุขของมนุษย์ใช่ไหมที่เรามีความสุขส่วนมากนี้ก็คือเราได้ทำพฤติกรรม คเคลื่อนไหวทำอะไรจะอะไรที่เราชอบที่เราต้องการมันวนกันไปหมดแหละตกลงว่าพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยเป็นสามด้านของชีวิตมนุษย์ที่เราจะต้องรู้จักมันสามเป็นจริงและจัดการกับมันให้ดีถ้าเรามาพัฒนาสามจุด น, นี้ดีนะชีวิตของเราเลิกกระเสิบสุดเอายังไงก็ได้แต่ว่าเราเคยมองและเอาใจใส่มันเพียงพอหรือเปลา่าเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วเราก็มาเริ่มพัฒนาการพัฒนา ที่พูดโดยสรุปก็ากายใจแต่ว่าผู้ให้ทบต้องเป็นว่าพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาซี่อันนั้นเลยเรพัฒนาอย่างบูรณาการให้มันมาสัมพั์ซึ่งกันและกันมาเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกันอย่างนี้เราก็จะมีชีวิตที่ดีงามมีความสุขดังนี้ากาศพัฒนานี้มันก็มีได้เรื่อยๆแหละอย่างโยมมาที่เนี่ยถ้า สังเกตดูเนี่ยนะมันก็เกิดการพัฒนาถ้าท่านเคยยุ่งการงานอยู่กับเรื่องของวัตถุอยู่กับตึกอยู่กับคอนกรีตเนะี่ยแล้ววันนี้เกิดมาที่นี่มาเจอต้นไม้มาเจอสายลมแสงแดดมาเจอสระน้ําเนะี่ยมองไปและใจสบายมองเห็นฟ้ามองกว้างไกลใจปลอดโปร่งผ่องใสแค่นี้ใจพัฒนาแล้ยนะเนะี่ย ใจโนโมาสู่ความสงบมีความเยือเกเย็นก็มีความสุขขึ้นมาอันหนึ่งนี่พัฒนาแล้วนี <Yeah. S 1> อันนี้ที่เราพัฒนาอย่างนี้ก็เพราะเรารู้จักอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ก็คือมันมาทางไหนล่ะ <Yeah. S 1> ที่เราใจสงบสบายได้ธรรมชาติเป็นรองก็เพราะว่าเรามีพฤติกรรมตาดูหูฟังใช่ไหมตาพวกเรานี่ไปเจอกะใบไม้ที่ถูกลมพัดนี่กิ่งก้านแก่งแกวงไกย ใบไม้ก็พิ้วอะไรจะเรมีเสียงเอามาเนี่ยเราก็ได้เห็นด้วยตาหูได้ฟังเสียงธรรมชาตินะ่ะนอกจากเสียงใบไม้ที่โดนสายลมพัดพิ้วแล้วก็ยังมีเสียงนกเสียงอะไร ต, ต่างเรามีความสุขอันนี้ก็เป็นเรื่องพฤติกรรมถ้าคนไหนจิตใจไม่ชอบสิ่งเหล่านีนะ้ชอบแต่เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของผู้คนเสียงเอะอตูมตามนะฮะโดนตรีไฮ พวกดิสโก้เทคอะไรเนี่ยวัเจออย่างนี้ใจไม่สบายใช่ไหมเนี่ยพวกนั้นต้องไปในที่มีเสียงดังๆมากๆนะ่ยแสงสีให้มันจัดจ้าไปหมดอย่างนั้นเขาจะรู้สึกว่ามีความสุขแต่แต่ว่าเราจะเห็นว่าชีวิตเราต้องการหลายอย่างบางครั้งเรายุ่งวุ่นวายกับเรื่องวัตถุเทคโนโลยีอะไรมากเราก็เกิดความต้องการทางด้านความสงบความต้องการในเชิงธรรมชาติ ความงามของสิ่งที่มีที่เป็นตาธรรมดาของมันอย่างเนี้ยละมานี้เราก็ได้ความสุดแต่มันเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่มานี้ก็แปลว่าเราได้อาศัยตาหูเป็นต้นของเราเนี่ยในการสัมพัสกับสิ่งแวดล้อมแล้วถ้าเรารู้จักพัฒนามั น, นแล้วก็ไปสัมพั์กับการพัฒนาด้านจิตใจให้พฤติกรรมในการดูฟังได้เห็นสิ่งที่เป็นไปได้ฟังสิ่ง เสียงที่ได้ยินอะไรต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มีผลต่จิตใจของเราทําให้เรามีจิตใจที่มีความสุขได้ก็ต้องพัฒนาสองด้านพัฒนาจิตใจให้มันประสานรับสอดคล้องใัก็แค่เนี้ยก็เริ่มเลยแหละในชีวิตประจําวันนี่แหละถ้าเรารู้จักจัด ก, การกัมันให้ถูกต้องนี่มันก็เป็นทางมาของการที่จะได้ความสุขในความสุขนี้มันก็มีความสุ ข, ก า, สขกายก็สุขใจใช่ไหมล่ะ สุขกายนะก็เป็นเรื่องภายนอกแต่ว่าเรามองแค่สุกกายก่อนสุขกายนี้ก็ต้องมีสองอย่างคือความสุขชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นพื้นฐานรองรับอยู่โดยที่ไม่ต้องรู้ว่าสุขถ้ามีอันนี้แล้วเนี่ยนะจะเป็นฐานรองรับเป็นความพร้อม ที่ว่าเมื่อไรเราไปเจอสิ่งที่เราเรียกก็เปความสุขและเราจึงจะได้รับความสุขนนั้แต่ถ้าความสุขที่เป็นฐานนี่ไม่มีนะไอ้สิ่งที่จะให้ความสุขข้างนอกที่ชอบที่พอใจเนี่ยหมดความหมายไปเลยความสุขที่เป็นพื้นฐานซึ่งบางทีเราไม่ไม่เรียกว่าความสุขนั่คืออะไรที่จริงเราเรียกโดยไม่รู้แต่เราไม่เคยคิดคือคำว่าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ เราต้องกายความสุขทางกายนะไปกินอาหารอร่อยนะไปนอนบนเตียงอัน่ อ, อนนุ่มนะไปฟังเสียงดนตรีไพเราะใช่ไหมเราบอกว่าเป็นความสุขทางกายแต่ว่ากายที่จะไปได้รับความสุขเหล่านั้นต้องมีความสุขพื้นฐานก่อนคือสุขภาพภาวะที่ร่างกายนี้สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนถ้าท่านไม่มีสุขภาพกายให้ตัวสุขอันนี้เป็นฐานคือความสามบูรณ์พร้อมของร่างกายนะ โรคภยัยเบียดเบียนเจ็บไม่สบายอยู่อาหารการกินเบื่อเลยใช่ไหมอาหารที่อร่อยหมดความหมายทันทีนะไม่อยากกินอาหารที่เคยอร่อยชอบนั่งหนาอุตส่าห์ขับรถจากบ้านในไปเหล่านี่ไกลตั้งหลายกิโลบางทีนะเพื่อจะไปกินบางคนนี่บินจากเมืงไทยไปกินฮ่องกงนะี่อุตส่าห์เสียเงินเสียทองบินข้ามไปไกลนี่นอนอยู่บนเตียงเจ็บไข้นี่ เขาเออกมาถึงเตียงยังเข้าไป้ไปไม่เอาใช่ไหมไล่เลยใช่อาหารที่แสจะโปรดอยากกินแ้นะ่เน่ะไม่เอาเลยกลายไปเกลียดหรือนี่เพราะสุขภาพไม่มีเพราะฉะนั้นสุขภาพกายนี่สาคัญมากคนไม่นึกว่าต้องมีอันนี้ก่อนพอมีสุขภาพกายเป็นความสุขพื้นฐานแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขผู้สุขที่จะได้จัด ก, การได้ยิน ได้ดงทีวีได้ฟังเสียงดนตรีก็มาได้แต่ว่าถ้ากายมันไม่รับไม่เอาแล้วนี่มันหมดเลยน ะ, ะความสุขอันที่จะมาทางกายกหมดความหมายเพราะฉะนั้นต้องมองก็สุขที่เป็นฐานอันนี้ด้านใจก็เช่นเดียวกันความสุขทางกายต้องมีสุขภาพกายเป็นฐานถ้าใครมีสุขภาพกายเป็นฐานแล้วเขาจะพร้อมที่สุดที่จะได้รับความสุขทางกายอย่างเต็มบริบู แต่ถ้าสุขภาพเสียแล้วมันจะรบกวนทําให้การเสวยความสุขทางกายของเขาเนี่ไม่เต็มที่ไม่สมบูรณ์บกพร่องไปมากหรือแม้กระทั่งไม่รู้สึกเป็นสุขหรือแม้กระทั่งกลายไปว่าสิ่งที่เคยให้ความสุขกลายเป็นความทุกข์ไปหมดใช่ไหมทีนี้ด้านจิตใจก็เหมือนกันแต่จิตใจนี่ละเอียดอ่อนกว่าพูดทางกายนี่ยังเห็นง่ายดังใจที่เราไม่เคยนึกคนเรานี่สุขภาพกายนี่ที่ว่า อยู่ในระดับที่เรวมีสุขภาพกายดีนี่ก็มีกันมากคนจํานวนมากอยู่ในระดับที่มีสุขภาพกายดีแต่สุขภาพจิตที่ดีไม่ถูกรบ ก, กวนไม่มีอะไรเข้ามาเสียดแทงไม่มีอะไรขึ้นมานทําให้บกพร่องทําให้มีความระคายอะไรเนี่ยหายากนั่เลยสุขภาพจิตที่สมบูรณ์เลยพระพุทธเจ้ากรัสบอกว่าคนที่ไม่มีโรคทางกายยังพอพูดน บอกยืนยันกับผู้อื่นได้ฉันทำไมม่มีโรคเลยตลอดเวลาเดือนหนึ่งปีหนึ่งสองปีบางคนว่าถึงสิบปีน ะ, นะมีหลวงลงอยู่นี่องค์หนึ่งท่านบอกก็ท่านไม่ป่วยเลยนี่ตอนนี้ไม่มาอายุแปดสสาปีแล้วตกสะพานนี่เมื่อไม่กี่วันแลาท่าเดอนเลยเดินเดินไปเดินหลับตาอายุแปดสิบสามแล้วสะพานตอนนั้นไม่ได้ทำราวสถานก็เดินไปแล้วก็เดินหลับตา อี่เลยเดินเอียงไปข้างหนึ่งไปสะดุดไอ้ขอบสะพานเลยล่นลงไปในคลองนะลงในคลองแล้วทีนี้ไหลนี่ไปฟาดเอาไอ้คานข้างล่างเขาหักเลยไายตัลาหักอามาแล้วพูดถึงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนั่นอะายุ83ปีนะีตกลงไปในคลองแล้วก็เลยเอ้าวไปอ่านว่ากระดูกหายตัวละหักก็เอาไปเข้าโรงพยาบาลนีนะ แล้วกลับมาสิบ้าวันกระดูกติดหมอว่าไอ้ทำไมติดเร็วนั่น น, น่าจะสองเดือนนี่มาแล้วเพราะท่านปกติไม่มีโรคภยัยแค่เจ็บไม่ต้องใช้ยานี่แปดสิบสามปียังขึ้นเขาสบายในยแปดนาทีถึงยอดเขาที่พนมสรารคาเนี่ยคนที่มีสุขภาพกายยืนยันตัวเองได้เป็นเวลานานอย่างนี้แต่ว่าที่จะยืนยันม่มีสุขภาพจิต ด, ดีนี่แม้แต่ เพียงแค่ชั่วชั่วโมงเดียวก็หายยากนะที่จิตใจไม่มีอารมณ์อะไรที่จะมาระแคะระขายรบกวนเลยเนะีนะ่ยเดี๋ยวก็โกรธบ้างเดี๋ยวก็เครืองบ้างเดี๋ยวกระทบโนดกระทบ น, นี่ขัดใจโน่ขัดใจนี่มองเห็นอะไรไม่สบายใจได้ยินเสียงอะไรขัดหูหรือไม่มีอะไรเลยไม่มีใครมาทําอะไรเลยใจตัวเองนั่งอยู่คนเดียวเป็นนึกเรื่องไม่เข้าเรื่องใจไม่สบายขึ้นมาใช่ไหมเนี่ย ไปแล้สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ใน ห, หาได้ยากเพราะพระพุทธเจ้าตัสบอกมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่สุขภาพจิตสมบูรณ์ทีนี้สุขภาพจิตก็เช่นเดียวกันมันเป็นฐานรองรับความสุขทั้งทางจิตแล้วยังแถมออกมาทางสายด้วยถ้าคนมีสุขภาพจิตสมบูรณ์นะเขาไม่มีข้อบอกพร่องไม่มีอะไรรบกวนและขาดใจเนี่ยเขาย่อมพร้อมที่จะสวยสุขทุกอย่างเนี่ยความสุขทุกอย่างที่เขาสวยสุขมันจะเต็มสมบูรณ์ของมันใช่ไหม อ่ะสุขทางใจเข้ามาใจเขาตัวเองนี่มันบริบูรณ์สมบูรณ์มันก็รับความสุขมาได้เต็มที่สุขทางกายมันก็ต้องเลือกถึงใจอยู่ดีก็ไปสเสวยสุขก็ไม่มีอะไรที่มาค้างใจไม่มีอะไรรบกวนใจโดยเฉพาะสิ่งค้างใจในสําคัญนะผู้ทุชนี่มีไอ้ตัวอันหนึ่งก็คืออารมณ์ค้างใจไอ้เจ้าสิ่งค้างใจเนี่ยมันเข้ามารบกวนตลอดเวลาเลยทีนี้ก็ทําให้เราสเสวยสุขต่างๆไม่บริบูรณ์ นี่ถ้าใครถามมาถามให้เกิดสุขภาพจิตได้จิตใจนี้เต็มบริบูรณ์ไม่ถูกรบกวนไม่มีอะไรเสียดแทงไม่มีอะไรละคายเครืองเนี่ยเขาจะเป็นผู้พร้อมที่สุดที่จะเสวยความสุขอย่างฉะนั้นคนในโลกนี้จํานวนมากเนี่ยที่เสวยสุขกันไปเนี่ยมันเสวยสุขได้ไม่สมบูรณ์รในขณะที่เสวยสุขกันๆเนี่ยในใจเองเนี่ยมันมีความห่วงความกังวลเนี่ยความ หวาดระแวงความหวั่นใจนมันทั้งข้างหลังทั้งหน้านหวาดไปข้างหน้าถ้าเราได้สุขอย่างนี้แล้วสุขอย่างนี้จะอยู่กับเราต่อไปก็ใช่ไหมแค่นี้ก็ทําให้ความสุขที่เสวยนี่วาวแหวงไม่สมบูรณ์เลยไม่เต็มพอหรือว่าเกิดได้สุขไปแล้วผ่านไปเสียดายแล้วเกิดความเสียดายนี่เสียสุขภาพจิตขึ้นมาเลยเพราะหางจากสิ่งที่จะให้ความสุข เกิ ด, ดความรู้สึกว้าวีเงาขึ้นมาแล้ถูกใช่ไหมสุขภาพจิตเสียเนี่ยไอตัวนี้แหละทําไงที่จะให้มันหายไปให้มันสมบูรณ์เป็นจิตใจที่สมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเพราะจิตสมบูรณ์นี่เป็นสุขภาพจิต ด, ดีคราวนี้จะสะวยสุขอะไรก็เต็มที่พรนะพุทธเจ้าก็เลยเน้นว่าเอาเลยนะเธอหนึ่งแล้วนะต้องมีสุขภาพกายเป็นทิฏฐธรรมิกัถฐประโยชนปัจจุบันส่วนหนึ่งแล้วนอกจากนั้นมีตัวประกอบ มีทรัพย์สินเงินพองมีการยอมรับในทางสังคมพระพุทธเจ้าถือว่าสําคัญเหมือนกันท่านเรียกว่าประโยชน์ที่ตามองเห็นเป็นระดับหนึ่งต้องมีอย่างพระเจ้าประสระิทธิโกศน่ะไปเฝ้า <S <S พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังทรงเอาพะไะทยสายเรื่องสุขภาพของพระเจ้าประเสิทธิโกศน่ะอย่าเป็นึกว่าพระพุทธเจ้านี่ตัดแต่เรื่องจิตใจนะเรื่องว่าหนึ่งพระเจ้าประสิทธิโกศไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระ อ, องค์ทรงเสวยมาสเสวยจุกก็อ้วดจนอุยอ้ยอายจะลุกจะนั่งก็ลําบากอัน น, นี้ไปเฝ้าพุทธเจ้าพอลงนั่งก็ต้องนั่งลําบากไม่ทราบต้องประคองนั่งลำบากแต่ว่าพอนั่งลงไปแล้วก็อุอดตันเสวยมาใหม่ๆเวสวยสเต็ปที่เลยไปนั่งที่ต่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสแสดงอาการพุดตัดให้พุทธเจ้าทรงทอดพระเนตรพุทธเจ้าก็เลยตัด คาถาขึ้นมาคถานนอ่าอัตมาไม่ได้เตรียมมาชัจะนลุ่มลุ่คาถาเนียนะเป็นข้อความทานองว่าคนที่มีสติรู้จักประมาณในการบริโภคนะแลก็อะไรถ้าว่าจะมีความสุขอายุก็จะยืนด้วยสุขอะไรทานองเนี้ยเขาจะเจ้ากระตัดออกมานะบรกว่ า, าก็เขาจะชาติว่าจะแก่ช้าแล้วก็จะมีอายุยืนยาวด้วย พระจเจ้าปเสนที่โกรสนพระสรงทราบพระพุทธเจ้าสรงตรเตือนทรงเข้าพะธายในความปรารถนาดีของพระพุทธเจ้าก็เลยเออเราไม่ได้และถ้าคืนเราจะสะวยจุอย่างนี้เรื่อยไปทาตจะแย่ไม่ดีแน่แต่ทุกที่เห็นชัดก็คือนั่งในขณะนี้มันอึดอัด น, น่ยก็เลยมาบอกแกอะไรเรียกว่าราชบัลลบสิคนสนิทที่ติดตามเป็นหลานของพวกนี่นี่ เธอจำพระาคาถาของพระเจ้านี้ไว้หน่อ ย, ยแล้วเวลาเราสเสวยทีไรเ น, น่ยพอจะเริ่มปั๊บจะตักชอ้อนแรกว่าขึ้นมาเลยเนี่ยนี่เพราะว่าขึ้นมาใช่จะได้สะดุดเนี่ยคือไปการเตือนสติเพระฉะนั้นเราจะเพลินพอเห็นอาหารอร่อยก็จะจ่วงด้วยไปนี่ก็เลยว่าหลานท่านผู้นี้ก็เลยจำไว้เวลาพระเจ้าประเสริฐนิโกศลจะเริ่มสเสวย พระเจ้าหลานนี่ก็ปักว่าขึ้นมาทันทีว่าขึ้นมาพระเจ้าเปรตนาที่โกศลก็สะดุทร่งได้พระสติก็สวยแตพอประมาณยับย่างพระองค์เองพอสวยพอพอประมาณแล้วต่อมาปรากฏว่าเวลาผ่านไปพระองค์ก็มีพระบอรากายกระปี้กระเปล่าขึ้น mm hmm. ก็วันหนึ่งก็ทรงระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ทรงมีพระทยัยเมตตาปรารถนาดีแกเรานี่ไม่ใช่เฉพาะแต่ ประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นที่ทางพระเทวีวัดสัมปราชิกัดฐานนั้นทรงปรารถนาประโยชน์สุขแก่เราแม้แต่ที่เป็นปัจจุบันที่ตามองเห็นด้วยเรียว่ทิฏฐามิกัดถานคือสุขภาพร่างกายเพราะนั้นอันนี้แหละสําคัญเพราะนั้นเราก็จะต้องมีสุขภาพกายดีนี้เป็นฐานในการที่จะได้ความสุขทางใจแต่ที่ลึกกว่านั้นก็คือมีสุขภาพจิตที่ดีเพื่อเป็นฐานในการเสวยความสุขอื่นทั้งหมด โยมจะไปมองแต่เพียงว่าไอ้เราจะมีความสุขอะไรได้บ้างอะไรได้บ้างนะมันต้องมีอันหนึ่งก็คือความพร้อมที่จะมีความสุขนะก็คือตัวไอ้ตัวสุขภาพเนะีนะ่ก็คือเป็นความสุขชนิดเลยเป็นความสุขชนิดที่เรียกว่ามันเป็นความสุขในตัวเองโดยที่เราไม่ได้รูนะ้คนที่เขาขาดอันนี้แหละเขาจึงจะรู้ตัวถูกไหมคนที่รา ก, กายมีโรคไขยกระเจ็บจึงจะรู้ตัวว่าโอ้ไอ้การมี ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีนี่มันเป็นความสุขที่สําคัญเยอะๆพระพุทธเจ้าเคยจัดว่าไอ้การที่เรามีสุขภาพกายสุขภาพจิตสมบูรณ์เนี่ยเป็นความสุขสําคัญเลยเป็นความสุขพื้นฐานเลยแล้วพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเน้นเรื่องการสร้างภาวะที่เป็นสุขภาพสมบูรณ์ไร้โรคทั้งทางกายทางจิตโดยเฉพาะทางจิตใจอันเนี้ยให้มีขึ้นมาให้ได้เพราะถ้าไร้อันนี้ไร้โรคทางจิตแล้วเนี่ย ก็คุณจะไปเสวยสุขในเรื่องของคุณใช่ไหมออก็คุณมีความพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องไปสอนว่าจะไปหาความสุขอะไรอีกแต่ว่าสร้างความพร้อมที่จะมีความสุขอะไรอีกเรามีความพร้อมที่จะมีความสุขใหม่ถ้าเราขาดอันนี้นะสุขภาพจิตไม่มีแล้วเราจะไปเสวยความสุขอะไรมันก็ไม่เต็มที่มันมีปัญหาไปทุกเรื่องแล้วความสุขนั้นดีไมด่ดีก็ส่งผลตีกลับสะท้อนมาให้เรากลับปเป็นทุกข์ไปซ้ำแต่คนที่มี สุขภาพจิตเป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหานี้เลยสุขที่สวยสมบูรณ์และสุขนั้นไม่ส่งผลกลับมาเป็นทุกข์ด้วยแฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยจัดไว้มีคาถาคาถาหนึ่งซึ่งญาติโยมคนไทยเนี่ยจำกันแม่นจำกันว่าอโรคยาปรม า, ร า, าลาแปลว่าอะไรภาไม่มีโรคพาไม่มีโรคเป็นราบ อันกระเซอรหรือลาบอย่างยิ่งแต่ที่จริงเราจําเพี้ยนไปนิดหนึ่งภาษาบาลีเนี่ยไม่ใช่อย่างนี้หรอกที่เราปรับให้เข้ากับลิ้นไทยเราปรับลิ้นไทยเป็นอาโรคยาบรมาราภาภาษาบาลีว่าอาโรขยาปรมาล า, าลิ้นไทยไม่คล่องไม่ถนัดกันเลยเปลี่ย น, ปนไปนนี้อาโรขยาปรมาราภาก็ความไม่มีโรคเป็นลาบ อันประเสริฐหรืลาบยันยิ่งหรือยอดแห่งลาบอั น, นี้วันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงสนทนากับพราหมณ์ผู้นึ่งพราหมณ์ผู้นี้ก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้ายกคถานี้ขึ้นมาตัดพรามเขาก็เข้าใจความหมายแค่สุขภาพกายไม่มีโรคเขาก็ลูกตัวของเขาต่อบพระพุทธเจ้านี่ไงข้าพเจ้าสุขภาพแข็งแรงนี่ข้า พ, พเจ้ามีลาบย่างยอดเยีงง่ยมพระพุทธเจ้าจรัสบอกว่านี่เป็นความหมาย ท่านผูุ้ชนเท่า น, นั้นความหมายที่แท้ไม่ได้อยู่แค่นี้นะอารมขยะประมาลาภาภามไม่มีโรคเนี่ยที่ท่านสนใจแค่ไม่มีโรคกายแต่ว่าความหมายที่แท้นี่เราต้องการหมายถึงความไม่มีโรคทางจิตเลยนี่แหละที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นคาถานี้ที่เต็มมันจะมีคําต่อด้วยนะไม่ใช่จบแค่นี้อารมขยะประมาลาภาจบลงด้วยนิพพานังปรมังสุ ข, ขัง แล้วนิพานเป็นบรมัสุขนิพพานก็คือภาว ะ, ะไรโรคทางจิตนะถ้าใครถึงนิพพานผู้นั้นจะไม่มีโรคทางจิตเลยและผู้นั้นจะเป็นผู้พร้อมที่สุดที่จะเสวยความสุขทุกอย่างอย่างเต็มอิม่มแล้วแต่ตัวเองจะปรารถนาแต่เขาจะเสวยสุขอะไรหรือไม่เสวยก็แล้วแต่เขานะทีนี้จะเห็นว่าพระที่ท่านพัฒนาตัวเองขึ้นไปตามลําดับในทางจิตเนี่ยซึ่งหมายถึงทั้งสี่ด้าน ทางกายศีลจิตปัญญาเนี่ยจะ ก, ก้าวขึ้นไปเป็นอริยบุคคลเป็นโสดาสกตจจามียานาคามีเป็นพระอราหันเนี่ยเป็นชั้นๆจะเราจะเห็นว่าไปถึงโสดาเนี่ยเป็นตัวคาเกี่ยวเพื่จะพ้นจากความเป็นปุถุชนเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยจะยังครองเรือนใช่ไหมจะยังมีบุตรพันยามีสามีนะอยู่บ้านจะเป็นคนที่มีความทุกข์น้อยที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าเปรียบเทียบกันเรื่องสุขทุกข์เนี่ย ระหว่างพระโสดาบันกับปุถุชนเนี่ยความทุกข์ที่ยังมีอยู่ของปุถุชนนี่เหมือนภูเขาหิมาลัยแต่ความทุกข์ที่ยังมีในใจของพระโสดาบันนี่เท่ากับก้อนกรวดนะเออโ ย, ยมว่าทุกต่างกันมากเท่าไหร่ใช่ไหมภูเขาหิมาลัยกับก้อนกรวดนี่ก็ต่างกันเยอะเนี่ยเอาละเนี่ยแค่เป็นโสดาบันเนี่ยทุกข์แทบไม่เหลือแล้วแต่พระโสดาบันท่านก็ยังมีครอบครัว ยังมีสามีพัญญานี่คือตัวอย่างของคนที่ว่าอยู่ในโลกอย่างไรมีครอบครัวเป็นต้นอย่างไรจึงจะมีความสุขมากที่สุดน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีสุขภาพจิตที่ดีที่สุดพระโสดาบันยังไม่ใช้หมดกิเลสเลยสิ้นเชิงนะท่านยังมีบ้างแต่ว่านเนี่ยหรือน้อยที่สุดและทกุก็น้อยที่สุดท่านจะอยู่อย่างมีความสุขที่สุดเลยในโลกนี้อยู่คาบเกี่ยวระหว่างผู้ละโลกกับผู้ที่อยู่ในโลก แล้วโสดาบันอย่างของเย้าของเรือนอยู่เป็นแบบฉบับของชาวบ้านทั้งหลายนั้นชาวบ้านทั้งหลายในคนฝ่ายปรารถนาเป็นโซดาบันอย่างน้อยคาบเกี่ยวระหว่างโสดาบันกับบุถุชนทั่วไปก็เรียกว่าการละยาณะปุถุชนปุถุชนชั้นดีเป็นการละยาณะปุถุชนหรือการละยานชนแต่แค่นั้นก็มีความสุขมากแล้วนะเราไม่เอาถึงขนาดที่ว่าความทุกข์เหลือเท่าก้อนเปรตแหละฉั้นะเอาเท่าไรดีแหละ แะหว่างเทียบกับทุกของผู้ดุชนที่เท่าภูเขาหิมาลัยนี้ลราเอาแค่ไหนเราทุกเท่าถ้าถูอกอทองหรือก้อนเท่าก้อกนอิฐก็ยังดีนะก็ตนวนมันเล็กไปแต่นี่แหละก็คือการพัฒนาคนซึ่งเราจะต้องพยายามทําให้จิตใจของเราเนี่ยมีทุกหรือน้อยทีนี้พอเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมีสิทธิ์ที่จะสวยสุขทุกอย่างแต่วความสุขบางอย่างท่านเลืิกไปเอง ถ้าลิกไปเองไม่ใช่ว่าท่านเสวยไม่ได้แต่ว่ามันเป็นสภาพจิตริงนั้นอาตมาก็จะเปรียบเทียบให้ฟังอันนี้อาจจะนอกเรื่องไปหน่อยนะ่จะคุยให้ฟังด้วยก็อยู่ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตลัสเรื่องอรรารคขยะปรมาลาผานั่นแหละเรียกว่าเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิต ท, ที่เป็นฐานของความสุขทั้งหลายก็พระพุทธเจ้าก็กรัดเรื่องว่าคาถาเนี้ที่แท้แล้วหมายถึงสุขภาพจิตใจหมายถึงนิพพานนั่นเอง นี้ก็พูดถึงคนหาความสุขกันในโลกเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้จะมีต่างกันความสุขเอาเอาเอาเรื่องสุขภาพกายก่อนนะสุขภาพกายนี่คนที่ไม่มีสุขภาพกายนี่เขาจะมีความสุขบางอย่างซึ่งไม่จำเป็นนะเอาอย่างไรขอให้ดูนะ ยกตัวอย่างพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างคนเป็นโรคเรื้อนใครต้องการความสุขแบบคนโรงเรื้อนก็ไปพัฒนาโรคเรื้อนให้เกิดกับตั ว, ตวเองแล้วจะได้ความสุขชนิดหนึ่ง <Yeah. S 1> อาทีนี้คนเป็นโรคเรื้อนเนี่ยนะสมัยก่อนยังไม่มีวิธีรักษาดีอย่างนี้หรอกคนเป็นโรคเลื้อนเนี่ยแกขัดจะเป็นแผลตามตัวทีนี้แกก็ขันพอแกขันแล้วแกจะเกา แล้วแกจะมีความสุขจากการเกาวเชื่อไหมน <c oughs> ี่ถ้าไม่เกาแล้วทุกแย่เลยใช่ไหแล้วมันมเกิดขันขึ้นมาแล้วนี่ทุกแล้วทีนี้แต่พอได้เกาเนี่สุขแต่ทีนี้พอกาลเขาแล้วมันก็เป็นการทําร้ายตัวเองสิก็ยิ่งทะเยอเป็นแผลเฟ้อช้าอะไรต่างๆยิ่ก็เลยกลายไปว่ายิ่งขันก็ยิ่งเกายิ่งเกาก็ยิ่งขันใช่ไหม แต่ทีนี้อีกอันหนึ่งความหมายพวกมันก็คือยิ่งเก่าก็ยิ่งมีความสุขใช่ไหมยิ่งเก่าก็ยิ่งมีความสุขยิ่งคันก็ยิ่งเก่ายิ่งเก่าก็มีความสุขอะไรเงี้ยเก่าโกันไปเรื่อยหนึ่งนะความสุขเกิดจากการได้เก่าที่คันนี่หนึ่งนะทีนี้คนเป็นล่องเรือนี่ก็ชอบไปหาไฟผิงไฟธรรมดาธรรมดาก็ยังไม่สุขเท่าไหร่ ถ้าได้ย่างตัวชนิดร้อที่คนธรรมดาทนจะไม่ไหวนี่แกจะมีความสุขมา อ, อนะคนไปโรคเรื้อนก็นอกจากล่าวที่คันแล้วมันยังไม่พอมันมีความทุกข์มากก็เอาตัวไปย่างไฟเพราะตัวไปย่างไฟแล้วมีความสุขจากการได้ย่างไฟนะั่นเป็นความสุขที่คนธรรมดาไม่มีตรงลงว่ามีความสุขจากการเกาที่คันความสุขจากการเอาตัวไปย่างไฟนี่พระเจ้าจา ก, ก็ตัดบอกต่อมา มีหมอที่มียาดีมารักษาคนเป็นโรคเรือนนี้ให้หายจนกระทั่งร่างกายเขาสมบูรณ์แผลเหลือไม่มีแล้วเลี่ยงกล้าวร่างกายหมดจดตอนนี้ถามว่าเขาอยากจะหาความสุขจากการเกาที่ขันไหมหามไหมเขามีสิทธิ์แต่เขาไม่เอาและถามว่าเขาจะไปหาความสุขจากการเอาตัวไปย่างไฟไหม ไม่เอาไปทุกเลยถือไปอยางอย่างนงั้นรอดแทบตายใช่ไหมไอตอนที่เป็นโรคเรื้อนนี่มันมันสุกเหลือเกินแต่ตอนที่พอหายไปแล้วนี่พระเจ้าจัดว่าแต่คนที่มีความสุขสองแบบหนึ่งความสุขจากการเก่าที่ขันอีกคนหนึ่งความสุขจากการไม่มีที่คันจะต้องเก่าอันไหนสุขกว่ากัน เอออันนี้นะอะไรแกนองมีสองอย่างใช่ไหมเนี่ยนี่แค่ร่างกายใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าอุปมาเห็นความสุขจากการเกาที่ขันโดยความสุขจากไม่มีที่คันจะต้องเกาไอ้ความสุขจากไม่มีที่คันจะต้องเกาก็คือการที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ใช่ไหมเรนน้อยแล้วแกกลับไม่เอาด้วยจะไปเกาในเรื่องอะไรเกาเลยก็เจ็บนะนี่ไปย่าตัวไม่เอาด้วยเหรอนี่ นี่ก็อันหนึ่งแล้วนะนีอุปมาทีนี้พูดในเชิงวิวัฒนาการพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าเอาแล้วนะคนเรานี้เกิดมาเริ่มต้นเป็นเด็กอ่อนออ น, นอนในเบาะเป็นทารกขณะที่นอนแวบบ่บาะนั้นแกขอภัยเถิดถ่ายอุจระปัสสาวะท้านเรียกว่าพูดมูดออกมาเล่นสนุกเลยเชื่อไหม เด็กมีความสุขในการเล่นคูณมูดของตอนเองต่อมาเด็กนักโตขึ้นชักวิ่งเล่นแหละตอนนี้มีความสุขสนุกสนานกับเครื่องเล่นสมัยก่อนเขามีรถน้อยๆเรือน้อยๆธนูน้อยๆอะไรต่างๆอันนี้ใช้คำตรงๆเดี๋ยวนี้มีเยอะนะเดี๋ยวนี้ก็มีรถไฟเครื่องบินมีอะไรต่างๆมีปืนเล็กๆอะไรปืนเขาดับสําหรับเด็กเล่น น, น่ะของเด็กเล่นเยอะแยะหมด แล้วจะเล่นดินเล่นทรายเด็กจะมีความสุขในการเล่นสิ่งของเครื่องเล่นเหล่านี้พวกตุ๊ ก, กตาเป็นต้นมาแล้วจากความสุขของแกนี่ก็จะหวงแหนมากนะแกรักมากเพราะมันเป็นสิ่งที่จะให้ความสุ ข, ขแกแกจะรักบาดชีวิตเลยนะของเล่นบางอย่างนี่แกหวงว่าใครไปแตะไม่ได้นะแกร้องจ้าเลยใช่ไหมนี่ผู้ใหญ่บางคนก็แกล้งเด็กนะไปแกล้ง ทำอะไรจับของแกแกก็ร้องให้นาดิ้นอะไรต่างๆเนะี่ยผู้ใหญ่ก็เห็นเป็นสนุกสนาเออันนี้ผู้ใหญ่มองเด็กหวงเล่นมีความสุขสนุกสนานกับเครื่องเล่นเหล่านี้ผู้ใหญ่ก็สนุกในอาการของเด็กแต่ไม่ได้มีความสุขไปด้วยกับไอ้เรื่องการที่จะมีเครื่องเล่นเหล่านั้นใช่ไหมนี่ทีนี้ต่อมาเด็กนั้นโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ คราวนี้ท่านบอกว่าก็จะมีความสุขจากการแสวงการมคุนรูปรสติเสียงต่างๆตอนนี้ก็จะไม่เห็นความสุขจากการเล่นเครื่องเล่นของเด็กตต่อไปมองดูแล้วจะเห็นเป็นเรื่องไม่มีความหมายทีนี้ถ้าบอกว่าต่อไปพัฒนาไปอีกเนี่ยมีความสุขอย่างเป็นอริยะก็จะเห็นการแสวงหาความสุข กามาคุณของกุฎชนเนี่ยเหมือนอย่างที่ผู้ใหญ่ได้เห็นเด็กเล่นเครื่องเล่นเพราะนั้นมันเป็นไปเองตามพัฒนาการของจิตใจและปัญญาด้วยอย่างที่ว่ามาแล้วเพราะนั้นเราจึงต้องเข้าใจสภาพจิตของท่านเหล่านี้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไปเองตามธรรมดาทั้งหมแต่ว่ามันมีอันหนึ่งก็คือฐานความรอมที่เรียกว่า ความสุขที่เป็นฐานที่สุดก็คือตัวสุขภาพสุขภาพทางกายเป็นฐานของความสุขทางกายและสุขภาพทางจิตก็เป็นฐานของความสุขทางจิตใจรวมถึงความสุขทางกายด้วยทั้งหมดเพราะความสุขทางกายก็ต้องลงไปถึงจิตด้วยอันนี้เมื่อท่านมีสุขภาพจิตอันนี้เป็นฐานแล้วท่านก็มีสิทธิ์จะเสวยสุขทุกอย่างได้และเสวยได้ด้วยความสุขเต็มอินเต็มที่แต่ท่านจะเสวย หรือแสวงหาหรือไม่เป็นเรื่องของท่านเป็นสิทธิของท่านเมื่อท่านไม่ต้องการก็เป็นเรื่องของท่านเองอันนั้นเราไม่ต้องไปห่วงท่าน <c oughs> เอาแล้วนะเรื่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการพูดเชิงอุปมาอุปไมยเห็นนี่เมื่อเราพัฒนาไปนี่มันก็เป็นไปตามลำดับของความเจริญหรือพัฒนาการอย่างนั้นเราก็ทํามาเรียนรู้วิธีการ เพื่อจะพัฒนาชีวิตของเราทั้งกายทั้งใจหรือผู้ได้เต็มว่าทั้งกายศีลจิตปัญญาเนี่ยให้มันก้าวไปสู่ความดีงามและความสุขมากที่สุดการพัฒนาที่ถูกต้องนั้นไม่ได้พัฒนาเฉพาะความดีความดีงามที่แทน้นั้นจะมากับความสุขด้วยถ้าความดีงามไม่มากับความสุขแล้วจะเกิดการขัดแยง้งแล้วความดีงามนั่นเองก็จะไม่มั่นคง ฉะนั้นเวลานี้เราพูดเกินถึงคําว่าจริยธรรมเนี่ยเราหมายถึงเรื่องความดีงามแล้วทีนี้ไปไปมามาเราก็มองว่า้เรื่องจริยธรรมมันเป็นเรื่องของความประพฤติเป็นเรื่องพฤติกรรมภายนอกกายวาาัต jar เรื่องของสังคมเราก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ได้หรอกมันต้องมีจิตใจด้วยเราก็เลยบอกจริยธรรมไม่พอต้องพัฒนาคุณธรรมด้วยคุณธรรม เราก็เลยเน้นกันว่าเดี๋ยวนี้เวลาพูดถึงจริยธรรมต้องพูดควบกันไปว่าคุณธรรมและจริยธรรมเราะนั้นแผนแปดแผนการศึกษาอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีคาเนี่ยคู่กันคุณธรรมและจริยธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเรื่อยไปเลยแต่ว่าเป็นการแสดงถึงความที่ยังดําเนินการพัฒนามนุษย์ไม่สมบูรณ์เพราะว่าจิตใจไม่ได้มีแต่คุณธรรมเท่านั้น ถ้าขืนพัฒนาแต่คุณธรรมกับจริยธรรมเนี่ยมันด้วยมันขาดระนบกร่องต้องพัฒนาความสุขด้วยี่และต้องโยงคุณธรรมให้ถึงความสุขให้ได้เพราะนั้นศัพ์พะพุทธเจ้าให้ไปแล้วเนี่ยไม่เอามาใช้ชอบใช้มหาแต่งสัพ์ใหม่ๆจริยธรรมก็เป็นบัญญัติใหม่คุณธรรมก็เป็นศัพท์ชั้นรองไม่ใช่สัพเดียเป็นเรื่องด้านหนึ่งของจิตใจจิตใจของเรานอกจากมีเรื่องความดีความชั่ว มันมีด้านความเข้มแขางความอ่อนแออีกใช่ไหมแล้วยังมีด้านความสุขความทุกข์อยู่มันไปนาาพัฒนาคุณธรรมอย่างเดียวมันไม่พอหรอกเพราะนั้นต้องพัฒนาเรื่องความสุข ด, ด้วยความตอดโปร่งสดชื่นผองไสเบิกบานของจิตใจอะไรเงี้ยต้องมีพระเจ้าเจ้าเน้นออกคนเรานี่ท่านบอกว่าถ้ามีปราโมดนั้นแหละอยู่ใกล้พันธิพานแล้ว น, นโยมเชื่อไหมพระเจ้าเจ้ากัดบอกว่าภิกษุที่มากได้ปลาโมดเนี่อยู่ใกล้พันธิ วก็จิตใจที่ดีปราโมทแปลว่าอะไรปราโมทความร่าเริงเบิกบานใจใครทำใจให้สดชื่นเบิกบานของใสได้ตลอดเวลานี่ใกล้พันธุ์พันแล้วนะเนคนโดยมากทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ขัดใจโน่นกระทบนี่กระทบนั่นใช่หมใจขุนมัวเศร้าหมองวุ่นวายอันนี้ถ้าเราทำใจเบิกบานร่าเริงสดชื่นอยู่ได้เนี่ยปราโมท พระเจ้าจะจัดเครื่องวัดความเจริญในการปฏิบัติธรรมหนึ่งมีปราหมูสองมีปีติความอินใจโอ้อินใจนี่ก็สำคัญนะอินใจได้เห็นลูกจเจริญเติบโตงอก ง, งามลูกก่าพฤชดีมีการศึกษาเล่าเรียนดีตั้งใจเรียนดีเห็นลูกมาไรยคุณแม่ก็ปลื้มใจมีปีติอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นที น, นี้เราต้องพยายามให้คนอื่นมีปีติ ทำความดีให้คนอื่นปิติอย่างลูกตั้งใจดีต่อพ่อแม่นะขอใหแบบ้คุณแม่คุณ พ, พ่อได้ข่าวเกีก่กันเราได้เห็นตัวเราก็ตามถ้าเราเรียนอยู่ใกล้อยู่ที่บ้านก็เห็นความก้าวหน้าในการ เ, าเรียนของเราถ้าเราไปเรียนอยู่ไกลบ้านถ้าได้ข่าวว่าเราเรียนก้าวหน้าประสบความสําเร็จตั้งใจเรียนดีพอได้ยินข่าวนี้พ่อแม่ก็จะปิติอิ่มใจปลื้มใจเนี่ย สภาพปีติอย่างนี้อาศัยคนอื่นหรืออย่างลูกก็ปีติเวลาคุณพ่อคุณแม่ให้อะไรใช่ไหมพอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ของที่ชอบใจก็ปีติอิน่นใจปีติอย่างนี้ต้องอาศัยคนอื่นทำให้ทีนี้ปีติในตัวเองก็ทําได้ต้องรู้จักพัฒนาจิตใจมีปิติอิ่มใจอยู่เสมอแล้วก็มีปัจจุบันความสงบเย็นผ่อนคลายใจ ทำอันนี้ได้ในย่างในสมัยนี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยคนมีความเครียดมากขาดความผ่อนคลายเพราะนั้นหนึ่งปลาโม่สองปีติสาปปัจสธิปัจสธิความสงบเย็นผ่อนคลายกายใจเป็ น, เ ป, นเป็นสภาพจิตที่มีสุขภาพอันหนึ่งที่พระเ จ, จ้าตร์ไวใ้ให้เราสร้างประจำจิตคนปัจจุบันก็ขาดอย่างยิ่งเลยถ้าจะหาไม่ได้ประสดีไปจริงถึงสุข พอปฏิสติแล้วก็สุขมาสุขก็เป็นภาวะที่ใจมันไม่มีอะไรรบกวนน่ยคล่องโล่งโปรง่งสะดวกอย่างทางกายนี่สะดวกทันทีวัดสุขน่ทํ า, นน า, าทอะไรจะอะไรคล่อ ง, องโปรง่งไม่มีอะไรบีบคั้นภาวะสุขก็คือตรงข้ามกับทุกทุกก็คือบีบคั้นบีบคั้นติดขัขดขับคล่องอันนี้เรียกว่าทุกข์ ทีน้ภาวะที่ตรงข้ามกระทุกก็เป็นสุขไม่มีอะไรบีบคั้นไม่มีอะไรติดขัดไม่มีอะไรขับข้องใช่ไหมก็โปร่งโล่งสะดวกนี่ใจก็ต้องให้ทำให้มีสุขคล่องไม่มีอะไรมาติดขัดเนี่ยไม่มีอะไรมาบีบแล้วก็ต่อไปก็สมาธิก็จะมาสหาอันเนี่ใครสร้างไว้ประจําใจได้แล้วก็เข้าสู่แนวทางของความที่จะมีสุขภาพจิตสมบูรณ์ เนี่ยชาวพุทปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่เคยนึกถึงที่พระเจ้าสัดไว้ให้เรามีสุขสภาพจิตยอย่างไรบางทีบางคนปฏิบัติธรรมไปแล้วเครียดใจทุกก็มีนะแสดงว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกมันต้องอย่างนี้ต้องมีปลาโมดมีติดประเสริสุขสมาธิพอถึงสมาธิก็คือสภาพจิตที่มันสมดุลเลยสมดุลที่ถิงมันต้องมีตุล น, นะอุเบกขาในสมดุลแท้ ดาวแค่สมาธิก่อนไอ้ไ อ, อ้อุเบกขาได้เป็นสมดุลที่ได้ปัญญามาช่วยคือสมดุลของจิตจะยังไม่สมบูรณ์ราบใดตรา บ, บใดที่ปัญญายังไม่เข้ามาร่วงถ้าได้แค่จิตอย่างเดียวเนีน่ยได้แค่สมาธิถ้าปัญญามานี่มาช่วยให้เกิดอุเบกขาเลยแต่อุเบกขาไม่ใช่อุเบกขาอย่างที่คนไทยพูดกันนะอุเบกขาคนใดพูดว่าเฉย เฉยมันเฉยมันมีสองอย่างนคือพระท่านบอกอุเบกขานี่มีสองแบบอุเบกขาที่เกิดจากปัญญารู้ความจริงแล้ววางใจได้ดุลเลยเนเหมือนกับคนรู้เข้าใจทุกอย่างจะทำอะไรเมื่อไรจังหวดไหนเนี่ยคนอย่างนี้จะใจเข้าดุลยภาพสงบเลยใช่มทีนี้คนอีกคนหนึ่งเฉยเพราะไม่รู้ คือพอไม่รู้เรื่อง ร, ราวอะไรมาเกิดขึ้นก็ไม่รู้ก็เฉยใช่ไหมเฉยอย่างนี้ถางพระท่านไม่นิยมอ่ะเป็นอกุศลท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาแปลว่าเฉยงโง่เป็นอกุศลใช้ไม่ได้เนะี่ยเฉยงโง่คือเฉยไม่รู้เรื่องมันก็เลยไม่เอาเรื่องแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องทีนี้ถ้าเฉยได้ปัญญาเป็นอุเบกขาแทนเนี่ยนะมันเฉยรู้เรื่อง รู้อย่างดีซะด้วยเพราะรู้เต็มบริบูรณ์มาถึงเฉยได้นะทีนี้พอเฉยรู้เรื่องแล้วมันเฉยเอาเรื่องรือมันจะปฏิบัติแต่ว่ามันปฏิบัติได้โดยรู้รู้ว่าจะทําเมื่อไหร่จังหวะไหนอย่างไรเพราะฉะนั้นมันสบายจิตมันสงบแล้วก็เฉยได้เรื่องเพราะมันรู้เรื่องนี่มันทําอะไรมันก็ได้เรื่องใช่ไหม อันนันเฉยที่เป็นอุเบกขาเนี่ยต้องเฉยรู้เรื่องเฉยเอาเรื่องเฉยได้เรื่องอันนี้เปรียบเทียบฉันเปรียบเทียบอันนี้ก็นอกเรื่องไปอีกนิดหนึ่งนะวันนี้คุยไปเรื่อยๆตามสบายกันแล้วกันเลยพออันนี้ว่าเฉยรู้เรื่องอย่างดีเนี่ยเป็นอุเบกขายกตัวอย่างที่ว่เวลาเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนุกตกใจเนี่ยพอเกิดเรื่องราวสนุกตกใ่ก็จะมีคนแบ่งได้โดยคร่าวๆเป็นสามพวก พวกที่หนึ่งี่คือไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกิดขึ้นแกเฉยนะนี่เรียกว่าเฉยไม่รู้เรื่องนะเป็นอุเบกขาโง่เรียกว่าอัญญานุเบกขาทีนี้สองพวกรู้ครึ่งไม่รู้ครึ่งหรือรู้แล้วแต่ไม่รู้จะทําไงดีไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงดีพวกนี้อาจจะเอะอมั่วเทองลุกขึ้นเต้นบวยวายบางที่ทําให้เรื่องใหญ่ขึ้นใช่ไหมทาให้เรื่องสับสนวุ่นวายหนักขึ้นไปอีกแก้ปัญหายากนีสองคนทั่วไปจะเป็นอย่างนี้มาก เป็นพวกที่รู้ครึ่งนึงกลางๆแล้วก็เอะอะโวยวายตื่นเส้นไปแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ทีนี้สาพวกเฉวยรู้เรื่องพวกรู้เรื่องรู้หมดเลยเข้าใจสถานการณ์เข้าใจเหตุปัจจัยของเรื่องเห็นแนวทางวิธีแก้ปัญหาจะแก้ที่จังหวัดไหนพวกนี้สงบเลยเชื่อไหมแกจะสงบและแกแจะอจังหวัดรอจังหวัดนั่นปฏิบัติการเป็นคันๆสําเร็จเลยเรื่องราวทุกอย่างเรียบร้อย เฉยที่เราต้องการคือเฉยแบบที่สาคือเฉยแบบนี้แบบที่สองคืวพวกที่สองมันเรียกว่าเฉยเป็นพวกยุ่งนี่พวกที่สามนี่ก็เป็นพวกเฉยประเภทรู้เรื่องด้วยปัญญาสงบนะแต่ว่าเป็นจิตมันได้ดึงวิรุญยภาพเพราะปัญญามาแล้วจิตมันจะลงตัวเลยนะแหรือถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างบอกว่าเหมือนสารสีที่เชี่ยวชาญในการขับร เราเปรียบเทียบคนขับรถสมัยก่อนนี่ก็ขับรถมาคนที่ขับรถใหม่ๆเนี่ยใจคอไม่สบายใช่ไหมมันห่วงมันหวาดมันกังวลไปหมดเลยจะเอาอยัางไงจะเข้าทางจะวิ่งความเร็วเท่าไหร่คอยกังวลเครียดเกรงนีจะขยับดึงบังเหียนจะลงแท้ยังไงจะทําไงบังคับให้มาวิ่งอยู่ในทางและให้ความเร็วพอดีอะไรเนี่ยเน่ยมันห่วงกังวลไปหมดเลย ทีนี้พอสารถีนั้นเชี่ยวชาญชนานาญการขับรถตอนนี้แหละแกก็เพียงว่าอา้าวออกรถขับรถออกจากบ้านเข้าถนนนะแกก็ดึงบังเหียนแกก็ลงแท่อะไรให้รถเข้าทางพอ เ, เข้าทางดีจัดการควบคุมความเร็วพอดนะีรถเข้าทางดีและความเร็วพอดีแหละแกนั่งสบายเลยใช่ไ่ม นั่งสงบนั่งสงบได้รู้ใช่ไหมแกมีความรู้ในเรื่องการขับรถมานี่อย่างเต็มเปลี่ยนอยู่ในใจเพราะฉะนั้นแกพร้อมตลอดเลยล่ะถ้าม้ามันขยับจะออกนอกทางซัดหรือว่าความเร็วจะผิดที่แต่ต้องการเนี่ยแกแก้ไขได้ทันทีถูกไหมแกรู้พร้อมแล้วแกไม่มีกมังวลอะไรจะนั่งเออละเฮ้ยสบายใจเลยภาวะจิตอย่างนี้เรียกว่าอุเบกขาเหมือนกับคนที่อยู่ในโลกเนี่ยเราแต่ละคนเนี่ยไม่ชำนาญชีวิต จะดำเนินชีวิตอย่างไรมีแต่ความหวาดกังวลอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นจะทํำยังไงเนี่ยมีชีวิตด้วยจิตที่ว้าวุ่นกังวลห่วงมีอารมณ์ค้างใจมีความทุกข์แฝงอยู่โดยไม่รู้ตัวตลอดเลยจิตไม่มีอุเบกขานะแต่พระละหันนั้นท่านรู้เข้าใจโลกชีวิตตามเป็นจริงวางใจลงตัวกับโลกและชีวิตนี้สบายเลยเพราะฉะนั้นท่านจึงมีภาวะจิต นี่เลยว่าเป็นอุเบกขาเนก็เลยพอดีถูกเตือนว่าได้เวลาฉัน เ, นเอาละเดี๋ยวขอภัยพูดเรื่องอุเบกขาจะให้จบเลยพัฒนากัไปไม่ถึงไห น, นพัฒนาได้นิดเดียวเองเนี่ยพัฒนามาถึงขั้นพอให้รู้แนวเท่านั้เนเองนยยังไม่ได้เริ่มการพัฒนาแทะ เ, เอาพอให้รู้ลักษณะก่อนจิตพรรหันเนี่ยเป็นจิตเหมือนสารพี ขับรถที่เชี่ยวชาญดำเนินชีวิตไปด้วยความรู้ใจลงตัวกับทุกสิ่งทุกอย่างกับโลกและชีวิตแล้วใช่ไหมไม่มีความกังวลอะไรเลยอะไรจะมาจะมาท่านวางใจได้ถูกเจ้าแห่งมันใจท่านพร้อมทุกอย่างแล้วแล้วไม่มีอะไรระคายเคงมันก็สบายนี่แหละภาวะจิตที่ว่าอุเบกขามันเหนือยิ่งกว่สุขกมันเหนือกับสมาธิีกโยพอจะนึกเห็นภาพไหม เนี่ยใจเราปรกติเนี่ยเราไม่ถึงขั้นนะวุ่นวายใจมันมีอะไรแอะไรอย่างที่ว่าอย่างน้อยจิตมันมีสิ่งที่ค้างใจตลอดเวลาเพราะนั้นมันไม่สามารถสเสวยสุดได้เต็มที่แล้วความสุขที่เข้ามาก็รับไม่เต็มทีเดืยเพราะมันมีตัวด้านตัวขวาตัวจิตกันตัวรบกวนอยู่ตลอดเลลวลาเพราะนั้นพระอรหันต์ทำไมจึงถือว่ามีความสุขที่สุดเพราะภาวะจิตถึงอุเบกขา มีดุญยภาพสมบูรณ์ลงตัวกระทุกสิ่งทุกอย่างกันโลกและจีวิตทระดุดสารสีที่จะช่วชาในการขับรถที่ว่าน้อมตลอดลอเวลาด้วยปัญญาที่รู้แจ้งอย่างนี้เอาแล้วทีนี้อุเบกขาน้นเหนือก็เหนือก็สมาธิจะเห็นว่าในโคดชงนะเห็นไหมมีสมาธิแล้วจะไปอุเบกขาทีนี้สมาธิก็เอาแล้วได้สมาธินี่จิตอยู่ตัวแล้วถ้าถึงสมาธิอยู่ตัวถ้าไป กุเขาลงตัวเลยนะได้ดุนยาภาพทีนี้สมาธินี้ตั้งมั่นแน่แน่สงบมั่นคงนจิตเป็นตวงตัวเองตั้งมั่นนี้ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยดําลงอยู่ในจิตใจได้และสามารถที่จะพัฒนาทําอะไรได้จิตของเรานี่มีสมาธิก็เหมือนจะมีฐานที่มั่นที่รองรับอันมั่นคงอะไรจะอะไรที่อยู่บน ที่มันนั้นมันคงนี้มันก็ตั้งอยู่ได้และเจริญงอ ง, งามได้แต่ถ้าที่ตั้งนี้ไหวโครงเพลงไปอะไรที่อยู่บนเนี้ยอยู่ไม่ได้ใช่งนเงี ด, ดีไปดีกันล้มโห่นหายไอที่จะเจริญก็เจริญไม่ไหวเพราะนั้นถ้าจริงต้องให้มีสมาธิเป็นฐานในจิตเพราะจิตมีสมาธิเป็นฐานก็เป็นที่รองรับแห่งผู้ตรธรรมทั้งหลายที่เราจะพัฒนา อันนั้นเราจะพัฒนาความสุขตัวดีจะพัฒนาคุณธรรมความดีงามต้องอาศัยสมาธิเป็นฐานลงละ่ะเพราะเจ้าเจ้ตัวนี้ไม่มีไม่มีสมาธินี้ไม่มีตัวรองรับจะแล้วคุณโธรรมพัฒนาไม่ขึ้นความสุขพัฒนาไม่ขึ้นร่มหมดนะความสุขจะไปอยู่ได้ไงจิตมันไม่มั่นคงเดี๋ยวหวั่นไหวถูกนุ่นลบกวนจะแทกทิงแย่เลยหวั่นไหวตลอดเวลาองมีสมาธิพอมีสมาธิก็จิตก็อยู่ตัว นะไม่มีอะไรลบกวนได้คิดเป็นตัวงตัวเองจะรับอารมณ์อะไรก็รับไม่ต้องการอารมณ์อะไรก็ตัดมันไปนี่สมาธิใช่ไหมต้องการอยู่อารมณ์อะไรก็อยู่กับมันตลอดเวลานั้นที่ต้องการจิตอย่างนี้ก็เป็นจิตเป็นตัวตัวเองสบายเราลองว่าสภาพจิต5ประการเนี่ยที่จะต้องพัฒนาแล้วเราสามารถทําได้หนึ่งปราโมดความร่าเริงเบิกบานใจสองปิติความอิ่มใจสามปัสติความผ่อนคลายสงบเย็นกายใจ สี่สมะสุความสะดวกใจคล่องใจร่วมใจไม่มีอะไรดิ้นขัขนขัดหลองติคขัดแล้วก็ห้าสมาธิภาวะจิตที่อยู่กับสิ่งที่ต้องการได้ตามที่ต้องการไม่มีอะไรมาลบลวนละลาย ท, ทำให้ได้หาประการนี้พัฒนาจิตสบายเลจะอยู่ที่ไหนก็ไปได้หมดแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนานั้น พัฒนากายในการสข้าพันกับสิ่งแวดลอ้อมในการรับประทานอาหารบริโภคปัจจัยสี่ก็มีวิธีพัฒนาว่ากินอาหารอย่างไรจะกินด้วยสัณหาหรือกินด้วยปัญญาพอนะกินได้ปัญญาก็จะเริ่มมีความสุขชนิดใหม่แต่ก่อนที่กินด้วยตัณหาก็จะมีความสุขจากการบำเรลลินต่อมามีความกินได้ปัญญาก็จะมีความสุขชนิดอื่นที่เกิดจากฉันทะนะีแล้วก็ต่อไปก็ ด้านอื่นปัจจัย4ี่การใช้เทคโนโลยีจะใช้เพื่อเสร็จสามารถหาความสุขจากการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีต้องเปลี่ยนก็คืบหน้าตาองพัฒนาถ้าใครพัฒนาจากการหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยีมาเป็นหาความสุขจากการใช้เทคโนโลยีทําการสร้างสรรค์นี่คือเขาพัฒนามิติใหม่แห่งความสุขขึ้นแล้วชีวิตก็จะดีขึ้นสังคมก็จะดีด้วยทียนี้เราได้เอาใจใส่ไหมตั้งแต่แม้แต่เด็กในครอบครัว เหนึ่งดูทีวีเทคโนโลยีเนี่ยหนูดูเพื่อเสพี่เปรอร์เซนดูเพื่อศึกษาสี่อต้องเริ่มแล้วรู้ตัวไหมว่าเราอยู่กับการเสพมากไปที่แท้มัาต้องใช้เพื่อศึกษาให้มากขึ้นอพอเด็กรู้ตัวเด็กก็ไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องใช้เพืพอ่อศึกษาเพิ่มเปอร์เซ็นต์หน่อยเคยใช้เพื่อเสพเก้าสิบเปอร์เซนต่อบนันนี้ลดให้เหลือ 70% ็ดสิเอร์ ใช่อศึกษาสามสิบเอร์เซ็นต์เออดีขึ้นช่นะอย่างนี้ก็พัฒนาแล้วหาความสุขจากการเรียนรู้หาความสุขจากการสร้างสรรค์โอ้มันไปได้เยอะในด้านพฤติกรรมนี่ในพัฒนากายเนี่ยพัฒนาความสุขจากาจาการศึกษาและสร้างสรงสรค์ใช้ตาดูหูฟังเป็นนะี่พัฒนาอินทรีย์ต่อไปก็ได้ความสุขใหม่จากการใช้ตาดูหูฟังใช้ตาเสพจะใช้ตาเรียนรู้เนะี่ย ใช้มือในการเอาไปใช้มือในการสร้างสรรค์เออมีความสุขคนละแบบนะมีความสุขจากการด้เอาก็มีความสุขจากการให้เช่นพ่อแม่มีความสุขจากการให้แก่ลูกเออก็มีความสุขได้จากการให้นะเพราะทาให้เขาเป็นสุขเมื่อพัฒนาคุณธรรมในใจมีเมตตาเป็นชนต่อไปพัฒนาศีลก็มีความสุขจากศีลเป็นรักษาอโบรสตทําให้มีภูมิต้าทานทําให้ชีวิตเป็นอิสระต่อ ความสุขที่ว่าต้องไปฝากความสุขไว้กับวัตถุภายนอกสามารถมีความสุขภายในตัวเองมีความสุขที่เป็นอิสระพัฒนาศีก็ได้สุขใหม่พัฒนาจิตใจยยก็ได้ความสุขมากมายไม่รู้กี่อย่างแล้วพัฒนาปัญญาคร่านี้สุขโลงโปร่งเป็นสุขชนิดทีเรียกว่าในเรื่องที่ว่าความสุขที่ไม่มีที่คันที่จะต้องกามไอ้เนี่ยนะ ก็อเอาและฤรอพอรนี่ก็พูดไปเป็นอันว่าจำกัดได้เวลาอาตมาไม่นึกว่าจะพูดไปมักม า, มาพูดไปพูดมามันเยอะก็ขอพมทธศาสนารวมญาติทุกท่านวันนี้ก็ขอยุติกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็คิดว่าเป็นพื้นฐานแนวทางในการพัฒนาให้เห็นว่าในพุทธศาสนานี้พระเจ้าสัตววิธีการหนทางแนวทางหลักการในการพัฒนา ชีวิตของเราทั้งสี่ด้านเพื่อความสุขที่แท้จริงนี้และขยายมิตียงความสุขนั้นไปได้อย่างมากมายเหลือเกินเราจะมาติดอยู่แค่ความสุขที่ชาวโลกเขาเข้าใจเลยมันมีผมทางที่จะไปได้อีกอยาวไายนักและกว้างขวางอย่างยิ่งและก็ชนกันมาพัฒนาต่อไปขอพระชายให้พรขอรัชนาุพระเจริใจอภิบาลรักษาทุกท่าน ที่มีจิตใจเป็นสุขสนคือเป็นที่หน้าในหมวดธนาที่มาได้ศรัทธาและจิตใจที่มีคุณสมบิจิตมีไมตรีจิตวิจารเป็นต้นก็ขอจงได้เจริญด้วยจากตุรพิทักษ์ใจมีความก้าวหน้าในการพัฒนาชีวิตเพื่อความสุขแท้จริงและให้ความสุขนี้ดำเนินมาพร้อมกับการดําเนินชีวิตและการประกอบกิจหน้าที่การงานให้บรรลุ ประโยชน์สุดความสำเร็จทั้งที่เป็นผลแก่ชีวิตของตนเองและแก่สังคมส่วนรวมและจะมีความร่มเย็นงอกงามในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโจยทัการทุกท่านตลอดานานเออ